ต่อไปทําความเข้าใจกันวันนี้จะบรรยายเกี่เรื่องของกุศลศีในชั้นของศีลที่เราศึกษากันเนี่ยโดยหลักก็คือท่านจะกล่าวถึงตัวเจตนาเป็นศีลในเบื้องต้นนี่นะที่ไปทําความเข้าใจว่าลักษณะของเจตนาเนี่ยที่เป็นศีลอย่างไรคาว่าเจตนาที่เป็นศีลเนี่ยในความหมายเนี่ยท่านหมายถึงความจัดแจงนะจัดแจงซึ่งนามธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับตนเนี่ย ก็คืออย่างนี้สภาพของเจตนาเนี่ยเป็นความจงใจเป็นตัวจัดแจงเป็นสภาพของนามธรรมที่เกิดอยู่ในใจ ท, ที่จริงๆก็คือถ้าอย่างเราท่าน อ, อย่างเราที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็แยกไม่ออกระหว่างเจตนากับผัตถะอย่างเงี้ยมันก็จะพูดยากไปใช่ไหมก็เพียงแต่ให้เราเข้าใจว่าสภาพที่จิตนั้นที่มีความจงใจและจัดแจงเกิดขึ้นนั้นเพราะเป็นนะด้วยผลของที่ว่า ด้วยอำนาจของเจตนาคือความจงใจที่เกิดขึ้นในกระแสความคิดฉะนั้นในขณะที่กระแส f, ความคิดเกิดขึ้นเนี่ยตัวความคิดเนี่ยมันก็มีกลุ่มของสภาวธรรมที่เกิดร่วมฉะั้นความคิดของเรานะ่าทั้งหลายที่กําลังคิดกันอยู่เนี่ยทุกคนมีความคิดในการคิดอยู่เนี่ยมันมีตัวจัดแจงอยู่ตัวจัดแจงอย่างเนี่ยมันจะมีการจัดแจงที่เป็นฝ่ายบาปกับจัดแจงที่เป็นไฟฝ่ายบุญ ถ้าจัดแจงที่เป็นฝ่ายบาปนั้นเน่ยเป็นความเป็นภาวะของความไม่มีศีลเป็นอกุศลไปซึ่งจะขับเน้นในเรื่องของอกุโสลัีษณ์นั้นไม่พูดแต่ในที่นี้จะมากล่าวในเรื่องการจัดแจงที่เป็นไปในฝ่ายของบุญฉะนั้นการจัดแจงที่เป็นไปในฝ่ายของบุญเนี่ยจึงเป็นไปในลักษณะคือเจตนาเนี่ยเจตนาเป็นเจตสิกธรรมเป็นกุโสลกรรมฉะนั้นเมื่อเป็นกุโสลกรรมเนี่ย เขาว่ามีกิจกิจของเขาเขาเรียกพีชานิธานกิจอันนี้เป็นบาลีนะเขาว่าพีชาณิคนิทานกิจจ์เนี่ยก็แปลว่าทํากิจในการที่เพาะเมล็ดพันธุ์ฉะนั้นในขณะที่กุศลเจตนาที่เกิดขึ้นจากกุศลสือเนี่ยนะ เ, เขาจะทำกิจในการที่จะจัดแจงอะไรจัดแจงแล้วก็เหมือนจะเพาะเมล็ดพันธุ์ถามว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ใช่ไหม ของกล้าไม้ทั้งหลายที่เป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเอาไปชําเนี่ยลดน้ําพรดินมันจะขึ้นไหมทีนี้ไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถ้าในที่นี้ถ้าขับเน้นใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่มีพิษก็มีใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ก็มีแต่ตัวกุศลศีลเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่มีประโยชน์เราสังเกตดูที่ว่าไอ้เมล็ดพันธุ์ตัวนี้มันจะออกดอกออกผลก็คือ เราดูว่าเมื่อเราเพาะลงไปในดินปุ๊บมันก็จะค่อยๆเจริญงอก ง, งามขึ้นมาใช่ไหมทั้งไปดีและไม่ดี ต, ะะดดต้นไม้ที่มีพิษก็เหมือนกันถ้าเราเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีพิษปุ๊บไอเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่มีพิษก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเพราะเราลดน้ำบดดินอันนี้ในกระแสะใจของเราท่านทั้งหลายก็เป็นแบบเนี้ยมันจะมีมะเมล็ดเนี้ยเมล็ดแห่งการจัดแจงเนี่ยเพราะเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ยเข้าสู่ในใจ ทีนี้พอเข้าสู่ในใจเบสเซตเนี่ยคนเราในเวลาจะออกมาทางกายทางวาจาเสียเนี่ยใจเป็นเสียก่อนไหมเออใจเป็นเสียก่อนไอ้เมล็ดพืชเนี่ยนะถ้าเป็นเมล็ดพืชที่มีพิษเนี่ยยิ่งนับวันที่มันจเจริญเติบโตขึ้นมามันจะให้พิษให้โทษไหย ม, มันก็ให้พิษให้โทษเอาเลยดิพวกอไอ้ฟิล์ม เ, เคโรอีนเนี่ยมันเป็นเมล็ดพันธุ์ทั้งนั้นแหละ พอเพาะลงไปในดินปุ๊บนะครับพอได้รดน้ําวนดินใส่ปุ๋ยนะ่ะเัาก็เจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาไอ้พวกยางเหนียวมันพวกดอกมันพวกผลมันต่างๆเนี่ยมีโทษเดยลักษณะนี้ก็เหมือนกันไอ้ ก, กรณีาการถ้าเป็นฝ่ายบาปทั้งหลายเขาเรียกอกุศลเวลาเราเพาะเมล็ดความคิดเข้าไปเนี่ยมเมล็ดความคิดที่มันเพาะปลูกเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเบ็ดเสร็จ น่เข้านเข้ามันเลยกลายเป็นต้นไม้ที่เป็นโทษใช่ไหมเราเนี่ยบางทีเราเพาะไอ้ตัวนี้ขึ้นไปโดยไม่รู้เนรู้ตัวกันหรอกจากสิ่งแวดล้อมจากอธัธยาศัยเราต่างๆนนเนี้ยแล้วก็ไปเกลือกล้วไปเพาะอยู่เรื่อยๆเงี้ยในสุดจริงจิงก็ออกมาแบบเป็นมีโทษไปกลายออกมาก็เป็นทุติิริข้าศัตว์บั้งรักทราบบัางบวชวิเทกาบ้อง พูดเทสบ้างซอเสียดบ้างคำหยาบบ้างเพอเจอบ้างจังประจานี่นะใจก็โลภ ก, ก็โกรธก็หลงอยู่ตอๆๆลอดเวลาอันนั้นแปล ว, ว่ามันมันจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาแล้วใช่ไหช่ทีนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้อ่ะในขณะที่เรานั่งอยู่อย่างนี้เรากําลังมาเพาะไหมเนี่ยเพาะไหยมาเพาะมเล็ดตัวเนี้ยนี่เราสังเกต ด, ดุตอนใจใจเราตรงเนี้ยเราสังเกตุ ด, ดูทีตอนนี้ใจเราเป็นยังไงงดเย็นไหมหดหูไหม ดหดขู่ท้ายว่ามันเหมือนจะซึมซึมเนี่ยเอาสภาพจิตที่ซึมเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นเป็นอกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปอันนี้มันพมเพราะเมล็ดผิดแล้วก็ขจัดออกเสีย น, นี่แสดงว่าเร า, พาเพราะเมล็ดผิดแล้วถ้ามันยิ่งมันจเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาในกระแสขันในกระแสของชีวิตเราเนี่ยมันก็จะออกมาทางกายที่ผิดออกมาจากคําพูดที่พลาดเข้าใจยัง เห็นไหมคนบางคนเนี่ยจึงบอกว่านั่งเพาะเมล็ดพืชที่มีพิษอยู่นั่นแหละใครทําให้เราเราเป็นผู้จัดแจงตัวเองเป็นผู้ที่เบียดเบียนตัวเองแท้แล้วมันมีโทษหรือมีมีคุณหรือมีโทษแบบเนี้ยมันมีโทษแล้วมันเสียหายหรือมันได้ดีมันก็เสียหายเนี่ ย, ยมนุษย์ก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยเราบางทีเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมนะ บางคนเนี่ยเป็นคนขี้โกรธเนี่ยแล้วก็ไปโทษกัหนึ่งเป็นคนที่โลภใช่ไหมทีนี้มันมีสภาพตึงเยอะแยะสภาพธรรมที่เราสังเกตดูที่โดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยจิตที่ตั้งไว้ผิดตัวนเนี้ยนะก็คือการเพราะมาเมล็ดตัวเนี้ยมันเสียเสียหายเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงเราก็เลยบอกว่าอา้าถ้ารู้สึกโคดหู รู้สึกท้อถอยทำไอเดียดูหนังฟังเพลงการดูหนังฟังเพลงเนี่ยชื่อว่าเป็นการลดน้ำควรดินถูกหรือเปล่านะมันมันผิดแล้วมันเหมือนเราเอาเอาเชือไปใส่เพื่อทำให้เมล็ดไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยคือจิตมันโหดหูอยู่แล้วใช่ไหมจิตมันโหดหูจิตมันท้อถอยจิตมันหงอยเหงาจิตมันเศร้าซ้อยอยู่แล้วเนี่ยแต่เรากลับไป ใช้วิธีผิดเอาแล้ววนะ่านึกอย่างเงี้ยนะก็เอาดูหนังฟังเพลงขึ้นมาเพิ่มเอาดีเอาละสิอ่างเงี้ยมันได้มันก็ได้เชื้อใหญ่แล้วมันก็ได้เชื้อจากน้อยเงา ม, มันก็ตื่นตาตื่นใจขึ้นมาแล้วเอาแล้วความโลภขึ้นมามีกําลังแล้วความโลภความเห็นผิดมานะเย่อหยิ่งถือตัวทีนี้มันจะเป็นไปตามบทละครที่เขาแสดงให้เราดูแล้วถ้าเขาแสดงกโกรธเราก็หึโกรธไปตามเขาเนี่ยนะ เขาแสดงโลภแล้วก็โลภไปตามเขาไอตัวไหนแสดงความยินดีความเพลิดเพลินความรุ่มหลงออกมาโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนเข้าวนะข้านี่นะนอนฝันถึงดาราในห้องเนี่ยไม่มีรูปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีรูป พ, พ, พาาระเจ้าหรอกแต่เป็นรูปของดาราเต็ไมไปหมดแล้วมานี่เบื่อที่สุดรึไงท่าน ม, มาเคย เคยไปกับพวกนี้พวกที่นักแสดงไปตอนเย็นยาเลยแล้วก็มามานิโมะมาไปพาไปมาให้ให้พาไปไปไหว้พระเจดีไหว้แล้วพอลงจากรถปุ๊บมันไปล้อมไอ้ลมล้อไป้ดาราเนี่ยแล้วผ้าก็คอยลําบากด้วยพอคะพลอยลำบากลำบากเลยพวกพวกนี้จะมาบนต่อไปเองจะมาหามาจะมาห้า มาลําบากขาะมาป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมายังลําบากเลยพวกดาราไปเยี่ยมแล้วพวกพยาบาลไม่นา น, านทํางานเพราะมันกลับไปแล้วเนะี่ยมาก็เดือดร้อนไอ้คนนี้ชื่ออะไรไอ้ไอ้มีเบอร์โทรศพัพท์อเลยมันยุ่งกับพาด้วยใช่ไหมพาก็เดือดร้อนไม่ใชมมาานะ่มาเกี่ยวกจะมาวางแผนที่ไหนมาเกี่ยวแปลกมากเป็นคนบ้าอะไรมีคนรู้จักอยู่คนนึ่งนะที่มันดัง ๆ, ๆบ้านก็อยู่ตรงสุพรรณเนี่ย ทีนี้อามาเขาไปบ้านยอมที่รู้จักกันใช่ไหมควาเกี่ยวในเรื่องเนเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวากับการทำหนังสือธรรมะนี่เลยไอ้ทีนี้บ้านมันติดกันไอ้บ้านเนี่ยติดกันอยู่ตรงกันข้ามนี่นะไอ้พเออร์เนีดาราคนนี้มันก็ไปมันก็ไปตรงนั้นพอดีไอ้พวกนักนักศึกษามันรู้มันรอบไปล้อมบ้านแล้วไอ้บ้านเหล่านี้ก็พอยถูกล้อมด้วยแล้วมาก็ออกไม่ได้เกิดมายุ่งนี้ นี่ยยังไงต้องรออยู่นั่นแหละต้องรอจนกว่าเขาจะไอ้เนี่ยแล้วเขาก็ไม่ออกไม่เห็นหน้านี่นะก็ไปคอยเขาไปร้องแบบตะคนแบบวิ่ววิทวาววกันเนี่ยน ะ, ะนั่นนี่โอ้โหขนาดนี้เลยเห็นไหมการเพาะไอ้ที่อะไรมันผิดพลาดเนี่ยมันเพาะเพาะเมล็ดอะไรที่ผิดพลาดแล้วพวกเนี้ยเขาก็ลําบากใจเขาใช่ไหมเวลาเขาจะกลับบ้านกลับช่องแต่ละทีบางทีเขาต้องรอทีหนึ่งทีสอง ต้องล้อม่ให้ใครเห็นต้องคอยหลบๆซ่อนๆไอ้พวกเราก็ไปถูกสื่อถูกสภาพของการสื่อโฆษณาทั้งหลายเนี่ยโหมซะจนไม่รู้ไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วในส่วนจริงเราก็ชีวิตไปไว้กับตรงเนี้ไปไว้กับสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงเลยเลยมองเห็นไหมเราถูกมอมอเมาซะจน ล, ลืมลืมไอ้ตัวตัวกุศลศีลไปหมดแล้วฉะนั้นตัวอกุศลศีลเนี่ยมันเสียมันเสียตรงเนี้ย ทีนี้เราก็มามาสืบค้นดูเรื่องกุศลศีลก็พีช า, า, น, า, น, านิธานกิจอย่างนี่ก็ขาแปลว่าเป็นตัวเพราะเมร็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ในที่นั้นเป็นชื่อของเจตนาที่เป็นกุศลในที่นี้ยฉะนั้นเจตนาที่เป็นไปที่จัดแจงในเรื่องของบุญจัดแจงอะไรจัดแจงเกี่ยวในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นว่าตัวจัดแจงที่เป็นไปกับกุศลเช่นจัดแจงจงใจในการที่จะเพราะคิดว่าถ้าไปทําบาปใช่ไหม กายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตเนี่ยไอ้ตรงนี้ผลของบาปก็จะทําให้ตัวเองให้กระแสชีวิตตัวเองเดือดร้อนถามว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนในปัจจุบันนพบด้วยแล้วก็เบียดเบียนกระแสชีวิตที่จะเป็นไปในพบถัดไปเป็นต้นด้วยเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เบียดเบียนว่าเออทำชั่ววันนี้ไม่ใช่พบนี้มันจะไม่ได้รับมันจะทําให้กระแสชีวิตของตัวเองเปลี่ยนเลย เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ค่อยดีแล้วก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆเงี้ยอันนี้เขาเราีเเเยกเบียดเบียนโดยเองแต่พอเข้าใจอย่างนี้เบียดเสร็จเนี่ต่อมาก็เลยมาจงใจและจัดแจงเลยอย่างเราเนี่ยก็มาตั้งใจใช่ไหมเรามาตั้งใจสมาทานเอ้ข้อแรกว่าไงแปลได้ไหมสี่นี่ข้อแรกตังว่าพร้อมกันดูดิเดี๋ยวพร้อมกันนี่หนึ่งสองสาม แปลหน่อยสิได้แค่นั้นเองได้แค่นี้เองเอาลองดูหน่อยที่เ ด, ดี๋ยวดูหโอ้โหความจำไม่ค่อยดีเรียนจบปริญญาตรีน่าคิดมาก <c oughs> น่าคิดดี เ, เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจำกันเนาะเขาเรียนเป็นแบบอ่านๆอ่านๆแล้วก็ไปทำความเข้าใจแบบนีน้อย่างนี้เป็นความจำที่ลอยๆนะ เป็นความเข้าใจแบบหลักลยอยๆงั้นนะบางทีพอทิ้งํำลาแล้วไม่รู้ความรู้หายไปไหนเลยเอาว่ามาที่หนึ่งสองสามตรงนี้ท่านขับเน้นไปตัวเจตนา คือขับเน้นไปที่ตัวเจตนาศีลตัวเดียวนะแต่ที่จริงก็ตัวเจตนาตัวสภาวะทิ้งดเว้นจริงๆนั้นเป็นชื่อของวิรัตเป็นชื่อของวิรัตแต่ในที่นี้ท่านขับเน้นเจตนาก็เจตนาก็เป็นศีลอย่างเช่นตัวสมาทานวิรัตเนี่ยในขณะที่เราตั้งใจสมาทานศึกษาศึกขาบทเช่นในขณะที่เราสมาทานเนี่ยเมื่อสมาทานปุ๊บเนี่ยตัวกุศลสีนเริ่มเดินหรือยังน่นเรื่องความตั้งใจแล้วที่จะทําให้กุศลศีลเกิด ทีนี้ถ้ า, าสมาทานเบ็เสร็จแล้วทิ้งเอางี้น ะ, มะเมล็ดเนี่ยแล้วอยากจะปลูกมเมล็ดพืชตัวนี้หน่อยไปโยนปเข้าไว้เบ็ดเสร็จแล้วไม่สนใจไม่ดูแลมันจะตายไหมเนี่ยนะมเมล็ดพืชนั้นตายไหมตายยิ่งไม่ดูทิศดูทางด้วยแล้วเนะี่ยยิ่งตายไวใหญ่เลยนี่เหมือนกันรักษาศีลไม่ใช่ศีล น, นั้นตายศีลเนี่ยกุศลศีลมีรากไหม มีรากหรือไม่มีรากตัวกุศลศีลก็มีกุศลจิตนั่นแหละเป็นรากเช่นความไม่โลภเนี่ยเป็นเป็นรากของศีลความไม่โกรธโดยเฉพาะไม่โกรธนี่น่ะชัดเจนที่สุดก็คือเป็นรากของศีลคนที่มีศีลเนี่ยจะเป็นคนโกรธยากถ้าไม่มีศีลจะเป็นคนโกรธง่ายเพราะถ้าความโกรธเกิดขึ้นแต่ละครั้งมันตัดอะไรตัดรากของอะไร รากของกุศสรศีลในชั้นของดีกาฉันใช้คำํำว่าอย่างนี้เลยไอตัวความโกรธเวลาเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยรากของกุโสรศีลก็ถูกตัดร่อนไปแล้วเหมือนเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้ารากขาดต้นไม้นั้นเจริญเติบโตไหมไม่เจริญเติบโตหรอกเพราะรากมันขาดรากมันด้วนเดี๋ยวก็ตายนั้นคนที่ไม่มีคนที่ไปทําให้โทสะเกิดมันเหมือนมีดมาตัดราก เวลาลากของต้นไม้มันจะโผล่ขึ้นมาแต่ละครั้งก็คอยเอามีดตัดพอมาอะไรก็ตัดงั้นโทส์เกิดที่ไรก็ตัดตัดรากของพระสุรศี น, นี่ยที่นั่งๆั่งกันอยู่โดยส่วนมากแล้วเหลืองหมดแล้วถ้าเป็นต้นไม้เหลืองหมดแล้วมันไม่งามแล้วใช่ไหมงดมีดแต่ละทีโลภโกรธหลงแต่ละทีมันจะไปตัวตัดรากนะตัดทุกครัง้งแล้ะต้นไม้ที่ปลูกไปว่าไง แล้วตอนนี้โตแค่ไหนตอนนี้อ่อนแอมากตัวขุศรศีนก็อ่อนแอรักษาศีนแบลกไหมใครส ก, กิดนิดเดียวไม่ได้หงุดหงิดหรือใครพูดให้ผิดหูหน่อยก็เอาแล้วหุดหงิดพุ่งสั้นทนี้ไหมมันก็ตัดรากอยู่เลยชาพุทธรักษาศีนแบบเนี้ยรักษาศีนแบบไม่โตกันเมื่กีแล้วถามว่าตรงไหนคือการขัดเกลามีไหมไม่มีเลย พ่อไม่เข้าใจตัวนี้ไงฉะนั้นต่อไปเอาใหม่ถ้าปลูกต้นไม้ต้องมันคอยดูแลไหมต้นไม้หรือต้นกล้าหรือต้นหญ้าหรืออต้นข้าวทั้งหลายเนี่ยมันจะมีพวกเพี้ยลงเต็มไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันเพระปลูกกุศลศีลด้วยในใจปุบเนี่ยจะมีอุปสรรคเยอะอย่างที่เรนั่งเนี่ยนั่งสลือๆนี่อุปสรรคของศีนไหมเป็นไหมเนะี่ยนี่เขาเยังไม่ตั้งใจปลูก สมาทานเมื่อสักครู่เนี่ยจะให้ปานาติปต า, า, าเวเมื่อกี้ก็สมาทานไปเสร็จก็หลับต่อเนี่ยอันนี้เขาเรียกไม่ตั้งใจปลูกเขาจะว่าไม่ใช่เลยเนี้ยคิดอยากจะปลูกกุศลศีลไหมคิดไหมคิดต้องตั้งใจไหมนะคิดต้องตั้งใจไม่ใช่ว่าปลูกเบีดเสร็จแล้วก็จะเป็นไงก็ช่าง โอ้โห oh, ถ้าชีวิตเรานี่นะถ้าพ่อแม่ตอนเกิดใหม่ๆปุ๊บเด็สร็จอ่ะมันเป็นตัวคนออกมาแล้วนี่ปล่อยส่งเลยนะี่ไม่สนใจเนะี่ยป่านี้จะมานั่งตรงนี้ได้ไหวก็ดูต้องดูแลประกอบปงมมาไหมเนี่ยประกอบปงมมาโน่นนะ่ยตั้งแต่นนะูอยู่ในท้องอะ่ะอยู่ในท้องเนะี่ยเป็นกาละ่าเป็นน้ำใสๆแค่นั้นเองนะกระแสชีวิตเราเนี่ยนักเข้านักเข้าก็เริ่มเข้มขึ้นมาเริ่มเป็นสีสีเริ่มจะเหมือนน้าล้างเนื้อเนี่ย นาข้าวนาข้าก็รวมกลุ่มเป็นก้อนสันฐานยังกับไข่ไก่อย่างนี้เป็นต้นนาข้าวะเข้าจากเป็นไข่ไก่ก็มาแตกออกเป็นปุ่มเป็นสาขาออกมาเป็นสีสันหนึ่งเป็นแขนสองขาสองเนี่ยแล้วก็ค่อย ว, วัฒนาการมีตามีหูมีจมูกมาเนี่ยมันกระแสมันต้องเกี่ยวกันพัฒนาเกี่ยวกันดูแลพ่อแม่ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ตั้งไข่อย่างนั้นนี่แหละถ้าเราบอกว่าไม่สนใจแล้วเด็ก พอไปดูดูเบสิทธ์สงสัยจะท้องแล้วมันไม่สนใจแล้วอาหารก็ไม่ได้สนใจการดูแลสุขภาพไม่ต้องสนใจปล่อยป่ยปาละเลยในซึ่งจริงก็ตายในท้องกระแสชีวิตเรายังต้องมันต้องประครบประงมกันนั่นนะและนี้เราไม่ดูแลกุศลศีลเรายุ่งยุ่งไหมอย่างนี้เขาเรียกปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ไหมก็ตั้งหลักใหม่ คิดว่าดูแลยากไหมเพาะอุศรสีเนี่ยเพาะพันธุ์ของอุศรสีเนี่ยยากไหมยากหรือยากจาเป็นไหมเราจะไม่เพาะก็ได้อะแต่เราเพาะกิเลสทุกวันเนี่ยเราเพาอให้ตรงกันข้ามทุกวันเนี่ยเพาะให้ความโลภมันโตขึ้นความโกรธก็โตขึ้นความหลงก็โตขึ้นอุทธิจารก็โตขึ้นปุ้งซ่านเนี่ยนะขีน้ำมีเท่าหัวถูทอดถอยก็โตขึ้นโตขึ้นทุกวันไอ้ความหลงก็โตขึ้นโตขึ้นทุกวัน บาปอกุสลธรรมอันลามมกทั้งหลายก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเี้ยเอาที่ถ้าไม่เพาะกุศลศีลมาแ ล, แล้วก็เสียหายน้เข้าน้าเข้ า, าก็เป็นคนสอนยากอ่ะเคยเห็นคนแก่สอนยากไหมพอแก่ตัวไปไปฟังไปแล้วแต่เขาไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปโบราเรื่องลาลาหลงลุ่มหลงอยู่นั่นแหละเวลาเขาจะสวดมนต์ไหว้พระเขไม่เอาหรอกพอแก่ตัวไปไปดัดยังไงล่ะดัดไม่ได้แล้วเพราะไม่เคยเพาะ ไอตัวกุศลศีลขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นนี่เลยฉะนั้นต้องเริ่มทําเดี๋ยวนี้ไหมต้องฝึกตั้งแต่ฟังธรรมะเนี่ยพี่แจ๊คโอ้การการศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่อพรมศาสดานี่หลังฟังธรรมเสร็จเสร็จแล้วไปเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วไปทําความเข้าใจพลเรื่องนี่ก็เดี๋ยวเนี้ยทําความเข้าใจเดี๋ยวเนี้แล้วธรามันเอมันปลูกไม่เป็นใช่ไหมปลูกกุศลศีลไม่เป็นถามท้าวว่เนี่ยบอกว่าบอกว่า บอกว่าผมหรือหนูนไม่รู้จะปลูกยังไงได้เลยถามเลยใช่ไหมว่าเนี่ยพยายามอยู่นะว่าพอจะปลูกจะปลูกขึ้นมามันก็มีตัวอีกราคาบ้างความกำหนัดยินดีเพิดเพลินบ้างความลุ่มหลงบ้างความโกรธบ้างมาตัดรอ น, นี่้หายไปอยู่เรื่ลยจะทำยังไงใช่ไห ม, ไหมก็ต้องหาเออเนี่ยตั้งใจว่ามาถ้าตั้งใจถ้าตั้งใจก็ต้องพยายามพยายามเรียนรู้ว่า กรณีที่ตัวเจตนามันจัดแจงเนี่ยถ้าหากว่าจัดแจงเป็นฝ่ายบาปมันเบียดเบียนกระแสชีวิตถ้าหากจัดแจงฝ่ายบุญเนี่ยนะอันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจว่าอะไรเข้าใจตัวศีลและสําคัญไหมตัวกุศลศีลว่าสําคัญก็ดังที่ได้กล่าวไว้บอกว่าเอามาพิจารณาเนี่ยตัวสุดจริญกรรมและทษจริญกรรมเนี่ยกระแสชีวิตของเราเนี่ยเราเนึกว่าแต่ เรานึกว่าแต่ทรัพย์ทรัพย์ของเราคือสิ่งอื่นใช่ั้ยเช่นแก้วแหวนนาฬิกาเงินทองทรัพย์บ้บานเอยรถเอ อ, เ อ, อยาดมิตรเรานึกว่านี่เป็นทรัพย์นี่แต่ที่ไหนได้ไม่ถาวรเพราะสิ่งเหล่านี้วิบัติไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เยอะแยะใช่ั้ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะตามกระแสชีวิตไปได้ตลอดกาลนานแต่สุจริตกรรมคือกุศลศีลเป็นต้น กับทุจริตกรรมคือความชั่วความทุศีลเป็นต้นรรทุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของสัตว์ทุกคนไหมเป็นทรัพย์สมบัติของสัตว์ทุกคนของทุกจำพวกที่จะติดตามกระแสชีวิตถ้าเป็นทุจริตกรรมมันเบียดเบียนหรือส่งเสริมเบียดเบียนหรือสอง่สองเสริมมันเบียดเบียนกระแสชีวิตใคร ไอคนนึงทำกรรมชั่วไอกรรมชั่วไปเบียดเบียนคนอื่นไหมาย ไ, ไม่ไปีไ่ไปเลยไออย่างพวกเราเนี่ยทำกรรมชั่วกรรมชั่วอยู่เบียดเบียนมาไหมมาไม่มาคนละสุนคนละกระแสะชีวิตใครทํำกรรมชั่วกระแสะนั้นก็เบียดเบียนคนคนนั้นไปเลยเดี๋ยวเราไปเข้าใจผิดอีกเช่นลูกทําชั่วพ่อได้รับเป็นไปได้ไหมได้ไม่ได้ มันไม่ได้เป็นคนละกระแสชีวิตกันแต่มันเกี่ยวข้องกันก็นกนว่ากันไปยกตัวอย่างเช่นนะมีอยู่รายหนึ่งนะเขาเป็นนายพันเขาเข้าป่าเขาก็ชอบไปยิงสัตว์นะบางทียิงยังไม่ทันตายเขาจะต้องตัดตัดตัดมือจะตัดเท้าของสัตว์เช่นถ้าเขาไปได้ลิงนี่นะเขาจะตัดขาหน้าขาหลังตัดแล้วก็มัดแล้วก็บางทีก็ล้องมางั้นเนี่ย อย่างเงี้ยไปเจอสัตว์เจออีตัวชมดเจอเห็นอะไรต่างเนี่ยนะกวางเจออะไรต่างเขาไปยิงทำทีนี้อยู่ต่อมาเดีเนี้ mm hmm. เขาก็มีครอบครัวเพรอภรรยาคลอดอาาอกมาลูกมือก็ขุดด้วนาขาก็ขุดด้วยชาวบ้านก็บอกนี่ไงว่างั้นนะทํากรรมชั่วเห็นไหมไปตกกับลูกเลยเนี่เข้าใจกระแสของกรรมผิด พยัญญาบอกข้อทำชั่วจะไปได้ลูกมือเท้ากุ ด, ด้วนเนี่ยเนี่นี่เข้าใจกระแสชีวิตของกรรมเพราะอะไรเพราะที่ตนเองต้องมาได้บุคคลที่มือด้วนเท้าด้วนเนี่ยเป็นกรรมที่ตนเองทำอันนี้ก็เรียกส่งผลในปัจจุบันภพกับพ่อนเนี่ยที่ทำเนี่ยแต่กรรมนั้นมันยังไม่หมดแรงนีเ น, ะมนมีมันมีอีกหลายช่วงหลายต่อ มันอาจจะส่งคนในตัวเองด้วนหรือก so ุดหรือหรือหนักกว่านั้นอีกเยอะแต่ว่าตนเองที่เริ่มได้เห็นและได้สัมผัสแล้วจะต้องมาเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แต่ลูกเนี่ยเขาก็ทํากรรมของลูกของเขามาคนละเรื่องแต่ทํากรรมเกีจาะเรื่องตัวเองจะต้องถูกตัดมือตัดเท้าเนี่ยเขาจะให้ยังแตเนี้ยกระแสชีวิตกรรมของไทยก็ของไทยแต่มันว่ามาเกี่ยวข้องกันโดยฐานะทํำทากรรมประเภทเหมือนประเภทเดียวกันนี้นะแล้วก็มาเกี่ยวข้องกันโดยฐานะเป็นพ่อเป็นแม่นั่นอีกฐานะหนึง แต่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งทำปุ๊บมันวิ่งไปกระทบอีกคนนึงนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีข้อแม้อย่างนี้ด้วยนะเช่นคนคนนี้ถ้าไปอยู่ใกล้ในใซวยทุกทีขอใครอะไรเงี้ยเนี่ยนะสมมตุติโอ้โหกรรมชั่วแรงก็คือแล้วเราก็เพลินไปอยู่ใกล้ไปเกี่ยวข้องเขาอีกไอเราก็มีกรรมชั่วในอดีตเยอะอย่าลืมนะมันก็เลยได้จังหวะมันก็เลยจังหวะของเราเหมือนกันการที่ว่าประโยคะวิบัติไปเคบบุคคลผิดพลาดขึ้นมาเนี่ย กรรมชั่วกรรมไม่ดีทั้งหลายก็พลอยซัด ก, กระแสชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปด้วยแต่ไม่ใช่กรรมของคนนั้นให้ผลมันกรรมของเราเองที่ทำไว้เพราะในสังสารวัตรที่ผ่านมาะ เ, เราทำกรรมมาหมดนะฉั้นตรงนี้นี่แหละทำไมเราจึงต้องตั้งมั่นในการที่จะมารักษาศีลเจตนาเป็นศีลทีนี้ก็คือให้เห็นเลเราปลูกเจตนาที่เป็นกุศลในปัจจุบันนี้ก็เรียกสร้างปัจจนเหตุ แต่กระแสะชีวิตของเราที่ได้มาเป็นมนุษย์นั้นเพราะเราสร้างอดีตเหตุกรรมที่เป็นอดีตเหตุนั้นก็ผลิตผลแล้วไงทําให้เราได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์แล้วไงและหนักไปกว่า น, นั้นอีกใช่ไหมกุศลกรรม ย, ยังหนุนเนื่องเราด้วยนะทําให้เราได้มีโอกาสมาฟังพระธรรมนีแต่เราไปตั้งจิตผิดบอกโอ้โหแย่แล้วงานนี่เรียนอะไรไม่รู้ว่าบังคับให้มาฟังธรรมนี่นะ อันนี้เขเรียกประโยค์เขาวิบัติอันนี้เพียพ้ยนเพดอีกนะตรงนี้คือกระแสะวิธีคิดมันเสียหายตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจหน่อยว่าชีวิตเนี่ยกระแสะของชีวิตเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลใช่ไหมเป็นผลมาจากอดีตทีนี้ผลเราจะประเภทที่ รอรับผลจากในอดีตอย่างเดียวพอไหมไม่พอประมาณมากชีวิตอย่างนั้นเน่ยเขาเรียกว่าปุพเพกตาเหตุวาทะเนี่ยเชื่อแต่กรรมในอดีตอย่างเดียวแล้วไม่ขวนขวายในปัจจุบันนี่เสียหายมากนี่เสียหายนะี่เชื่อเหตุอดีตใช่ไหมเขาเรียกว่าและไม่เชื่อเหตุในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเราอดีตเราทำมาดีแล้วพอแล้วแล้วปัจจุบันกรรมปัจจุบันภพก็ไม่ขวนขวายไม่เล่งไม่พิจารณา กลุ่มนี้เขาตำหนิเขาเรียกว่าเชื่อเหตุเดียวเอกะเฮนณวาทะก็ะหมายความบอกว่าเลี้วด้ยส่วนเดียวหมายความว่าเชื่อแต่เหตุกันเหตุในอดีตเท่านั้นไม่เชื่อปัจจุบนัน ก, กรรมไม่เชื่อเหตุในปัจจุบันก็เลยไม่เพียรพยายามในการที่จะเจริญกุศลตรงนี้ก็บอกว่าฉะนั้นเจตานานี่นะเจตานาเนี่ย จัดแจงซึ่งนามมาทำทั้งหลายนีซึ่งประกอบไว้ในกระต o เนี่ยในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าตัวเจตนานั้นเป็นกุศลกรรมเป็นตัวเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์ที่จะทําให้การเจริญงอกงามเกิดขึ้นของกุศลถามว่าตัวเจตนาเนี่ยมีอะไรเป็นประธานปฏิโมกสงวรศีเนี่ยมีศรัทธาเป็นประธานมีศรัทธาเป็นประธานนะศรัทธาใน การตัดสู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณประทานกุศลศีลเราจะพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งอบายภัยก็ดีภัยที่จ้องเวียนว่ายใดเกิดเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นหรือภัยในปัญหาอุปสรรคชีวิตทั้งหลายเหล่าเนี้ต้องมีตัวกุศลศีลฉะนั้นตัวกุศลศีลนี่หลยจะเป็นตัวกำจัดภัยได้ตัวกุศลศีลเป็นธรรมังสะระนังขจานี้ไหมเป็นไม่เป็นเป็นพระธรรมไหมเป็นพระธรรม ฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวกําจัดภัยคนที่มีกุศลศีลเกิดขึ้นในกระแสใจอย่างต่อเนื่องคนนั้นคนนั้นชื่อว่ากําลังประกอบตนเองให้อยู่กับกุศลกรรมนลนั้นชื่อว่าตนเองก็จะพ้นภันยนะอุปสรรคนะให้สังเกตนะว่าคนที่บาปกรรมส่งผลเดยมากเป็นคนทุศีลถ้ากุศลศีลเดินอย่างต่อเนื่องต่างๆเหล่านี้ตัวบาปกรรมทั้งหลายจะไม่ค่อยได้โอกาสในการผลิตหรือให้ให้ผล ไอ้ตรงนี้เราก็ก็ทําความเข้าใจให้ชัดอันนี้คือเจตนาเป็นสินทีนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นจะฆ่าสัตว์ไอ้ตัวเจตนา ต, ต, ตัวจัดแจงตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมเพราะเราความตั้งใจไว้ว่าถ้าฆ่าสัตว์นี่เป็นบาปแล้วให้ผลเป็นทุกข์การฆ่าสัตว์เนี่ยผลของการฆ่าก็คือว่าทําให้อายุสั้นอย่างนี้นะถ้าเบียดเบียนสัตว์ก็ทําให้ตัวเองนั้นน่ะมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะอยู่ที่เป็นต้นผลของการรักทรัพย์ก็ทําให้ตัวเองนั้นต้องวิบัติ เกิดมาสแสวงหาทรัพย์ทั้งชีวิตก็ก็ก็เสียหายก็ไม่ค่อยได้อีตั้งหลักไม่ได้ตั้งลม้มตั้งลม้มอย่างเงี้ยนันก็เริ่มเห็นเห็นอ น, นิสงเห็นโทษใช่ไหมนักเขา้าก็ไอ้กุศลศีลนี่มันดีอย่างเงี้ยมันก็ส่งเสริมกระแสชีวิตอย่างนี้เป็นต้นหรือคนบางคนเนี่ยถ้ามาพิจารณาดูกรเมสุวิจชาจารย์เนี่ยเกิดมาก็ต้องมีภาวะเอออย่างนี้นะถ้าไปทํากรรมประเภทกรเมสุวิจชาจารย์แบบประเภทที่แรงแล้วก็ไป การมาผิดพลาดในปัจจุบันนี้นะท่านในสมัยก้าพเจาการเนี่ยถ้าประเภทที่กระทบกับคนที่มีคุณสูงระดับภาระยศสูงส่งเนี่นะที่ท่านมีคุณธรรมมากเนี่ยกระแสขันเนี่ยเปลี่ยนทันดีได้เลยเปลี่ยนจากหญิงเป็นชายได้เลยเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขอเปลี่ยนจากชายนี่เป็นหญิงได้เลยเปลี่ยนจากชายนี่เป็นหญิงได้เลย น, นี่เราก็มาสังเกตดูที่ว่า คนเหมือนเหมือ น, น, น, น, นผู้ชายนี่นะเอาอย่างนี้นักษาชายที่มาริโยมผู้ชายหรือพระนี่นะถ้าเราเอากุศลกรรมมาให้ผล น, นะเกี่ยวกับการมีสมิชาจาย์นะตามให้ผลโตงความคิดจะวิปริตบางทีมันให้ทั้งด้านความคิดทนไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเพศ ถึงขนาดลงทุนต้องเข้าห้องให้เขาผ่าตัดเพศให้เลยกรรมมันให้ผลขนาดนั้นโอ้อยู่ไม่ไหวเพราะว่าบางคนเนี่ยมาจากเป็นผู้ชายดีๆนี่นะแต่พอไปผิดพลาดในชีวิตใช่ไหมอากุศลกรรมมันตามตามตามตามตามันเนี่ยพลิกวิธีคิดเฉยเลยนะเข้านะเข้าใน่ยอยู่ดีๆเนี่ยเข้าหาหมอเข้าหามีดได้ให้หมอช่วยมีดฟันออกผ่าตัดเปลี่ยแปลเพศได้ดูที่ยอมเจ็บปวดขนาดนั้นเข้าใจไห ก็เหมือนผู้หญิงบางคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเกิดวิปริตทางด้านความคิดกันอยู่เนี่ยเนี่ยกระแสกง้งกรามฉะนั้นถ้าใครเจออักุส ร, รกรรมประเภทนี้ต้องอดทนไหมต้องทนเพราะอักุส ร, รกรรมเนี่ยมันจะต้องมีวันหมดกําลังแต่ถ้าคนอ่อนแอทางด้านความคิดก็จะยอมกับจิตที่มักง่ายแล้วก็ยอมให้เขาตัดเขาตอนเขากระทาสิ่งที่ต่งางๆ ทัาบางองค์ยังเป็นเลยบวชเข้ามาทีแรกก็เป็นไอภาวะของชายเตรมตัวเยียงยเพราะกระแสะของอักษรศลกรรมมันตามไม่ผลทันนี่นะวิปริตันดีทนแทบไม่ได้เคยเจอเนะี่ยเคยลองบอกนะม่รู้เขาเป็นอะไรเลยนะเขารุกร้อนแล้วก็ารู้สึกว่ามันมีภาวะอย่งความอยากเป็นหญิงขึ้นมาอย่างแรงมากนี่เงียบท่านะนึกวโอ้โหก็เลยคนคุณตอนนี้อักุรศัลกรรมได้งานคุณแรงมากนะ ฉะนั้นคุณต้องอดทนต้องตรึกถึงว่านธรรมของพระเจ้า ว, ว่าตอนนี้อกัรกษรศาสตรมเล่นงานแล้วหนักแล้วฉะนั้นคุณต้องฝ่าฟันอย่าไปยอมแพ้กับมันใช่ไหมเพียรพยายามในการที่จะออกจากความคิดอย่างนี้ออกจากความรู้สึกอย่างนี้เอาวัฒนธรรมคำสอนของพระโรมรรัสซาสดามาวิจัยน้อมหรือเลืกถึงคุณของพระเจ้าเ้าบอกว่าน้อมอยู่อย่างนี้มีอยู่คนคนหนึ่งนะฝึกได้น้อมอยู่ประมาณสามปีเปลี่ยนได้เลย เขาบอกโอ้โหเขาเกือบทาดเลยก็ เ, เลยบอกย่าเนี่ยกรรมที่คุณไม่เคยทำมาในในสังสารวัตไม่มีฉะนั้นถ้ากรรมนั้นตามมาเล่นงานเมื่อไรก็จะเปลี่ยนวิธีคิดทำให้ความรู้สึกดีๆเนี่ยตกต่าลงไปได้อรากลัวไหมนักษาชายเรียกรวมไหมอยู่ดีๆจะต้องไปกระตุ้งกาะติง้งไงกลัวไหมกลัวใช่ไหมกลัวก็อย่าไปทำบาปในปัจจุบันนี้ก็ให้มีศีลไว โทษของการผิดศีลอย่งนั้นเลยเนี่ยนักศึกษาหญิงก็กลัวไหมกลัวจะวิปปิลิตทางด้านความคิดไหมกลัวป่าเรามั่นใจไหมเนี่ยเรียนจิตวิทยาดีๆเกิสังเกตไหมคนเรียนจิตวิทยาแล้วเป็นบ้าอ ย, ย่างก็เห็นไหเคยเห็นไหมล่มนะมีเยอ ะ, ะถามกเพื่อนระดับท่านที่เรียนเรื่องจิตเองก็ไม่ฉลาดเรื่องจิตนนะ่ะมีเยอะลองสังเกตตัวที่เอามาไปเจออยู่ไลน์นี่นะ เ, เป็นหมอที่แรกก็ ทำไมต้องพาตัดใช่ไหมหมอจิตวิทยาก็มันตามตามสูตรของเขาในไทยจะผ่าตัดเนี่ยจะต้องพบหมอจิตแพทย์นันก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาของโรงพยาบาลอย่นี้มั้งก็ไปไปพบเอามาได้นไม่ยิบยมเไปเจอหมอโ อ, โ, หโอ้โหคนไข้พวกนี้เยอะเกินยิ่มั้งคนไข้เกี่ยวเรื่องของจิตจิตเพททั้งหลายเยอะมากตราไปลิบไปทิ้งเี่ยเอามาเป็นย่ มาเขาสังเกตโดยทาไมหมอดูหน้าตาเพรียดก็มามาก็ถามให้หมอเป็นอะไรหนึ่งโอ้โหแย่ท่านคนไข้เยอะเกินมาก็เลยคุยให้ฟังว่าเนี่ยหมอทํางานฝึกแบบนี้สิกายกรรมที่เมตตาตอนหน้าเขามีความรักความปรารถนาดีวางเบื่อทอนคนก็ทุกข์มาอมีความกรุณาเขาใจจะมีความสุขไหม แล้วก็เมตตาวิจีกรรมก็บอกกับเขาก็คุยกับเขาด้วยเมตตาใช่ไหมด้วยใจที่มีเมตตาทั้งตรงหน้าเขาก็ให้กําลังใจเขาเมตตามโนกรรมก็คิดถึงเขาให้จิตนั้นเป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีเอื้ อ, อทอนแบบจับจิตจับใจก็เจริญเมตตาให้ถูกแล้วก็เจริญกรุณาเข้าบอกนะั้นงั้นเดี๋ยวผมขอคุยกันนักชั่วโมงไเ้ไหมเลยคุยเลยคุย เดี๋ยวีหมอก็เลยจัดโครงการในที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเขาจัดโครงการเบอกว่ายกวัดมาไว้โรงพยาบาลยกวัดมาไว้โรงพยาบาล น, นี้ก็มีโครงการเราจะทํานี้ไปถึงไหนที่ได้แย่มาไปเกี่ยวมาผมไม่เอาแล้วก็มาเนี่ยมีปัญหา ด, ด้านว่าถ้าไปคนไข้บางประเภทเขามีเชื้ออะไรเยอะไงมาก็เข้าใกล้บ้างมากก็ไม่ค่อยจะได้ใช่ั้มก็เป็นตาก็เลยบอกเลยแต่แนะนํานี่เป็นงี้ไง เห็นไหมหมอด้านจิตแพทย์ก็เริ่มมีปัญหาแล้วตอนเนี้ยพรากคนไข้มันเยอะแล้วพวกเราจะรับมือยังไงไหนดีเรียนกันไปมานั่งสงบกันเงียบเงียบเงียบไหนจะรับมือยังไงดีใช่ไหมนั่งคิดด้ว่านั้นสิ่งต่างๆเห่านี้มต้องไปเครียดถ้าเราคิดอยากจะไปแก้ปัญหาสังคมตัวเองต้องแก้ถูก่อนไหมไม่ใช่ว่าตนเองโอ้โหประเภททําตัวเป็นพัดลมเนี่ยท่านห้ามเป่าคนอื่นเย็นเนี่ยกนมันร้อนไม่เลือกเราอย่างเนี้ย ใช่ไหมแอร์เนี่ยครัทำให้พวกเราเย็นไหมลองไปดูข้างหลังน้องแอร์ดิเสียงร้องคือคๆๆๆร้อนนี่คุณอย่าคิดมากซิชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าก็เอไปแล้วนอนไม่หลับไอ้ตัเองก็คิดมากไอ้แฟนก็ไม่โดหาเคยเป็นไหมไม่รู้ไปไหนไม่ยอมดูหากอย่างยุ่งอย่างเงี้ย นี่คือวะนี่นคืออะไรนี่อุปสรรคมันเต็มไปหมดแล้วตวเองมันมีปัญหาซะเองไงขยายยัยงแล้วจะไปแก้ใครตอนนี้นั้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมาให้ควรมาพิจารณาว่าการที่เราเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะหลักสูตรของเราเนี่ยต้องการช่วยคนอื่นใช่ไมและสภาพสังคมที่มีปัญหาอย่างนี้เราก็เห็นอยู่ ปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วนับวันสภาพของปัญหาก็จะสลับซับซ้อนเพราะเป็นไปตามสภาพของสิ่งเล่าต่างๆที่มากระทบเยอะแยะแล้วจะทำยังไงบุคลากรของเราก็เป็นแบบนี้ที่จะออกไปแก้ปัญหาของเขาเนี่ยยังเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจกระแสะชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยนะและ้วจะทำยังไงจะไปแก้ปัญหาสังคมยังไงตนี้ก็เพียงว่าเพ้อเพือจะไปเป็นภาลาของสังคมเอง เขาใ้่ยาเป็นภาราสังกลมเรียนจบมาแม่ไม่มีตังค <c oughs> ์นะใช่ไหมเบิกธานาคารถาวร อ, อยู่นั่แหละไม่มีเงินฝากสักทีก็ย่ า, าตรงนี้นะ ก, ก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดถามว่าอุศรสีเนี่ยฝึกทำให้กระแสชีวิตกระแสจิตของเรานี่แข็งแรง ทำให้แข็งแรงคือเจตนาศีลนี่คือความจงใจจัดแจงในการที่ตั้งใจจะไม่ฆ่าสัตว์คือจะงดเว้นจากการฆ่าจัดแจงจงใจในการที่จะไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมเป็นต้นอะไเนี้ยถามว่าต้องตั้งใจก่อนไหมั้นการสมาทานคืออะไรสมาทานเวลาคืออะไรสมาทานเนี่ยคือการตั้งใจถามว่าสมาทานต้องเปล่งออกมาไหม ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นจากการต้องเปล่งมาอย่างนี้ไหมคิดในใจเป็นสมาทานไหมไม่ชีเป็นไม่เป็นคิดในใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่รักทรัพย์จะไม่พื้นผิดในการมจะไม่พูดเท็จเนี้ยเป็นไหมคิดเนี่ก็เป็นแล้ว <c oughs> คิดเนี่ยมันก็เป็นแล้วนะเพราะเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจแล้ว าะนั้นการคิดเนี่ยต้องคิดบ่อยๆไหมคิดบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆไหมในาการตั้งใจนั่นแหละบ่อยๆอย่างยากตัวอย่างเช่นดูให้ดูกรณี อ, อ, อธิษฐานในบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าสังเกต น, นะอธิษฐานใะบา ร, รมีของพระบรมศาสดาในที่นั้นเวลาครูสุรศีนของพระพุทธเจ้านี่นะตอนที่ว่าพระบรมศาสดาตอนนั้นเป็นพญานาคสังเกตดูไหม ตอนที่พระ อ, องค์อยู่ในเมืองของพาญนานาคก็เอจะรักษาศีลบารมีให้บริสุทธิ์ให้หมดจดรักษาได้ไม่ยากเลยเพราะกลุ่มนางนาคทั้งหลายก็คอยรบกวนท่านใช่ไหมตอนนี้ไปรักษาที่ไหนก็มาแล้วมาคอเคลียฤาศีของท่านจะแตกท่านบอกอยากขนาดนั้นเลยจะอันตรธานจากเพระพาญนานาคมามารักษาคุณฤาษีศีลและบารมีเป็นต้นเนี่ย ขันติบรารมีเป็นต้นสัจจะเป็นต้นที่จริงเนี่ยพระ อ, องค์ก็คือมาลัมาเจริญบรารมีทุกบรารมีนั่นแหละแต่ว่าขับเน้นไปที่กุศลศีลแะบรารมีเป็นต้นนี่เนาะก็มาเป็นพยานหน้าก็เลยมาเจอจอมปวกก็เลยไปขนดอยู่บนจอมปวกแล้วก็สมาทานอุโบสถวันนั้นเป็นวันพักขึ้น15บห้าเขาพระ อ, องค์ก็สมาทานอุโบสถทธอศี พอสมาทานก็บวชเสดสีนก็คือมาบําเพ็ญบา ร, รมีพระบริษัตวมาบำเพ็ญบา ร, รมีท่านตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระเดยียวยังท่านก็มาขนดอยู่บนจอมปวกจอมปวกนี่นก็สวยงามสว่างอยูก่กระทองคําเลยที่ในขณะเดียวกันก็คือไอ้กลุ่มหมอ ง, งูเนี่ยก็ไปเรียนมาจัดตักลศิราใช่ไหมพอกลับมาเบียดเสร็จก็มาเจอก็อยากลองวิชาแล้วโอ้โหพอเห็นงูเห็นประยาหน้านสวยงามมากเอาเลย เพราะตนเองเรียนวิชาเรื่องการจับมกจับงูจับอะไรมาเนี่ยก็เริ่มไล่มนท่องเวทหมนต์ตัวเองท่องปปโปๆๆไปนะพอเริ่มท่องไปเบอรเซนเนี่ยไอเสียงเสียงที่ในทานเนี่ยไอที่หมองงูเนี่ยไล่ไปบริกรรมไปเบอร์เซนเนี่ยเป็นกระแสเสียงที่มันเต็มไปด้วยมนลขังใช่วิ่งเข้าโซตประสาทของพยาบริสัตเนี่ยของพญาหน้าบริสัต์เนี่ย วิ่งก็ไปอย่างก็เอาเหล็กแหลมเหล็กแหลมคมๆเนี่ยแทงหูทั้งสองข้างอะ่ะองค์ก็สะดุ้งสุดตัวเลยใช่ไหมสะดุ้งก็มีความรู้สึกว่า เ, เราเจอศัตรูแล้วเนี่ยพิจารณาท่านก็เริ่มข่มโทรศาพท์ของท่านว่าไม่ได้ถ้าโทรศารเกิดขึ้นมากุศลศีลั่ น, นจะแตกใช่ถ้ากุศลศีลแตกปุ๊บ ความเป็นพระพุทธเจ้าจกไม่ขึ้นไม่มีแน่นอนใช่ไหมเพราะศีลบา ร, รมีก็จะพังพระองค์ก็ลองดูก่อนว่าว่าใครหนอเนี่ยที่มาไลาม่มุนอ่ะชูศีรษะโผมาจะขนดพอมองดูเบ็ดเสร็จพอเห็นในพานก็นั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเพ่งนะนะถ้าเราโกรธแล้วเพ่งตาจ้องดูนี่นะเจ้าหมองูคนเนี้ยไฟจะลุกที่ล่างขงหมองูดเดีย่ยวด้วยด้วยฤทธิ์ของตนเองมีมาก แต่ว่าถ้าโทสะเกิดอะไรแตกกุศลศีลก็จะแตกอย่า ก, กันนั้นเลยชีวิตจะวิบัติไปไม่เป็นไรแต่ขอให้กุศลศีลเป็นศีละบา ร, รมีของเราเนี่ยอย่าแตกอย่าทำลายเลยเราตรัสรู้เป็นพเระพุทธเจ้าแล้วเราจะให้คนที่พ้นมนพิษเนี่ยมนที่ปฏิทุสร้ายเราในตรัสรู้ย ก็ขดศรีรษะลงหลับตาไม่ดูอี่นายพานมาเห็นไม่ไม่มีอาการไหวติงต่างๆใช่ไหมเข้ามาใกล้ๆกับเเคี้ยวยาเป็นยาพิษเนี่ยเคี้ยวยาแล้วก็พ่นไปทั่วล่างพอพ่นเข้าไปก็ปถูกน้ําลายถูกยาพ่นเข้าไปตามตัวของพญาโพธิพญานาค่ยพองขึ้นเป็นจุดปบๆๆเหมือนเอาน้ํากรดสาดเอาน้ํากรดสาดแล้วราดรนะ้อน พระโพิษัตว์ก็อดทนตอนนั้นทั้งศีละบารามีต้องมีอโทศาสความไม่โกรธ ด, ด้วยไหมอโทศาสก็คือเป็นทั้งขันติบารามีด้วยทั้งเป็นขันติสังวทั้งนั้น น, นะนะศีละบารามีก็เดินแล้วขันติบารามีก็เดินแล้วปัญญาด้วยไหมปัญญาก็เดินต้องมีวิริยะด้วยไหมวิริยะก็เดินเห็นไหมบารามีธรรมทั้งหลายก็ประชุมในกระแสใจของพรโิสั์แล้ว เอาอย่างเราง่วงเนี่ยเราง่วงเนี่ยเราจะสามารถประชมุะชมกุศลธรรมกจัดความง่วงได้ไหมก็ขยับตัวบปป่อยๆแต่มันง่วงก็จใจว่ามันนั่งเพราะว่ายาบว ท, ที่จะทำให้ไม่ง่วงมันก็มีทั้งเยอะเนี่ยใช่ไหมถ้าสมมติมันง่วงขึ้นมาขออนุญาตยืนยังได้เลยดีไหมไปปล่อยให้ความง่วงมันกินอยู่หรือความ ซึมเศร้าเงาหงอยมันกินอยู่เนี้ยแล้วก็เสียเลยแล้วหนักข้าวเราก็ปล่อยให้บาปกินอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าปะทุศร้ายตัวเองไหมเบียดเบียนตัวเองปะทุศล้ายตัวเองจะไปทําทําไมคืออุ ป, ปมาอางนี้ว่าถ้ามีใครสักคน น, นเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็มีดกระวางอยู่ข้างหน้าเอามีดมาแทนตัวเอง เ, เรื่องมีดมาฟันหัวตัวเองอยู่เราจะกรุณาคนนั้นไหม น้าการุณามไหมเขาเป็นอะไรนะเขาต้องเอามีดฟันตัวเองเ อ, เอาเอาเหล็กเสียบตัวเองเล่นอยู่เอาโลภะเหมือนมีดไหมยิ่งก็มีดนะโทสะก็ยิ่งก็มีดโมหะก็ยิ่งก็มีดทีนมิทะบาปอกุศลทั้งหลายแต่ ย, ยิ่งก็มีดนี่เรามานั่งเสียบตัวเองให้ออกมาดูเนี้ยเสียวตัวเองใช่ไหมอันนี้มันก็ดูกับลายพ คนที่ทําตัวเองได้ขนาดนี้คือพวกอะไรเป็นคนดีไหมพุทธพจน์เขาบอกว่าไงปุถุชนนอุมาตะโอยาปุถุชนเป็นคนบ้าชอบปัทุสลายเบียดเบียนตัวเองนี่คืออะไรไม่ดีมากยอมมาใส่ตัวเองเขาว่าเราไม่น่าว่าเลยเจ๊มะเป็นไม่เป็นชอบเหบียดเบียนตัวเองปัทุสลายตัวเอง ไอคนนั like oh ้นมันไม่เข้าใจเราเอาไปมาโง่เยียดตัวเองใช่ไหเนี่ยก็พยายามที่จะอบบายใส่ตัวเองตลอเอาไหมต่อไปถ้าจะทํำยี้แบไหมอะไรเรื่องเลยอย่างโง่ยี้จะต้องอบายมาใส่ในใจตัวเองใช่มมาเบียดเบียนกระแสวิชีเราคิดให้เป็นกุศลให้เป็นนี่ทํากุศลศีในเกิดขึ้นด้วยบริสัทธิเอาอย่างเราคิดได้ไหมถ้ามีใครวิ่งมาทบหัวเราโตมพวอย่าโกรธเขาเลยเดี๋ยวกุศลศีลแต่ได้ไหม แต่บริษัาท่านไม่คิดแค่นั้นนะถ้าศีลบารมีเราแตกขันติบา ร, รมีแตกวุริยะบา ร, รมีแตกใช่ไหมปัญญาบา ร, รมีแตกอธิฐานบา ร, รมีแตกสัจจะบา ร, รมีแตกเนคคามาแตกหรือว่าปัญญาบา ร, รมีแตกเป็นต้นทานบา ร, รมีของเราแตกเราจะไม่สามารถเป็นพระเจ้าเมื่อเป็นพระเจ้าไม่ได้จะช่วยคนที่ประถุสลายเราไม่ได้ท่านมองไปที่ตรงไหน โมหะรา้ายปกครองกระแสชีวิตของท่านพวนี้ทําให้ไม่รู้จักมิตรไม่รู้จักสตรูปรทุสลายแม้กระทั่งที่คนที่เป็นมิตรไม่โมหะร้ายกาศมากเราตัดสู้แล้วจะถอนกระแสของโมหะของสัตว์นี้ออกจากใจใได้เราจะกล่าวกระทาให้สัตว์นี้เห็นปัญญามีปัญญาสามารถเกิดแสงสว่างแล้วกักกระชากโมหะที่ปังแน่นในกระแสชีวิตของสัตว์คนนี้ท่านนี้ออกให้ได้ท่านคิดอย่างนี้รู้ว่า อย่างเราต้องคิดแบบนี้ถ้าคิดอยากเป็นนักจิตวิทยาที่ไปช่วยคนเนี่ยไม่ต้องเจอคนด่าเราก็มีใช่ไหมคนที่เกลียดเราคนที่รังแกเราอีกเยอะแยะแล้วคิดแบบพระโพธิษัต์คิดสิบอกลําดับแรกก็คือว่าจะไปหาเขาเนี่ยศีลต้องดีไหมกุศลศีลต้องแข็งแรงจะไปแก้ปัญหาให้กับเขาเนี่ยถ้ากุศลศีลไม่แข็งแรงไปก็แตกหมดในส่วนจริงไปเจอปัญหาอุปสรรคหน่อยอลไรหน่อ ย, อยกลับมาก็งองแงแล้ว คงไม่เอาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้พูดไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆนี่ต้องอดทนไหมนี่เหมือนกันท่านก็อดทนแล้วหนักกว่านั้นอีกพอท่านหมดแรงเลยนะตอนนั้นอ่ะพอหมดแรงเบ็เสร็จแล้วเขาก็กระชื้นด้วยนะเบ็เสร็จก็จับนะจับที่ศรีรษะของหน้าของงูเนี่ยเขามาก็บีบพอ บ, บ, บีบก็ปากก็แล้วยังพ่นบ้วนน้ําลายบ้วนยาใส่ปากพอบ้วนก็ไปใส่ปากงูใส่ปากพญานาคโคดีสัตว์นี่นะ วันที่อยู่ในปา่หาหักหมดเลยลองคิดดู เ, เราสามัญสำนึกของเราคิดดูนี่พระองค์เป็นสัตว์เดรัจฉาพระองค์ยังทนขนาดเพื่ออะไรสมาสัมปชัญญะเพื่อพวกเราถ้างั้นพระธรรมจะมีมาไหมจะมีไม่มีไม่มีท่านผู้โคตรทนขนาดนั้นไม่มีทางเลยเออกมาในหมดสิทธิการห่ผมผ้าระกษาสภาว หมดสิทธิ์มานั่งเข้าใจคําสอนหมดสิทธิ์ที่จ ะ, จะเจริญตามพระธรรมคำสอนนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราเคิดพระองค์มีพระคุณมากฉนั้นก็มาพิจารณาตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยท่านต้องอดทนบอกว่าเลือดกบ ป, ปากท่า น, นฟันหลุดหมดท่านบอกว่าเราตัดรู้แล้วจะไม่ทำที่ปฐุสรายเราจะตัดสิ อย่างนี้เป็นต้นแล้วบางทีนะบางคบเนี่ยโดนโดนเจาะรูแล้วก็เชือกร้อยจมูกก็ลากรอยงี้ยเรามันนึกดูสิเอาไม่ต้องหรอกมีคนเดินเดินมาแล้วใช้มือเคาะไปตบหั ว, ลวเลานยบางคนก็ศีนแตกแล้วใช่ไหมแค่โดนตบหัวตูมแค่นี้ยแตกแล้วอันนี้ลองคิดดูนั้นทำมาพิจารณาอย่างนี้มันจะได้รู้จกกักว่าโอ้โ สภาพของขันติที่เป็นศีนี่ไม่ธรรมดาเลเห็นไหมในอัตโทสะเป็นศีลได้เป็นเจดสิกสีฉะนั้นสภาพของจิตที่มีความจัดแจงจงใจต่างๆอันนี้เป็นเจดนาที่เป็นศีลนี่คือเจดนาเป็นสีถ้าเจดสิกเป็นศีเนี่ยเขกล่าวสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสีเว้นจากพูดเทศส่อเสียดคำหยาบเพือเจริอันนี้เป็นกุศลสีเหมือนกันสัมมากรรมตะ การกระทําที่เว้นจากการยทุจริตสาคือเว้นจากการฆ่าสัตว์รักย์ประพฤติผิดในกางอันนี้ก็เป็นศีลสัมมาชีวะการเลี้ยงอาชีพที่เว้นจากมิฉาอาชีวะทีนี้ธรามาดูอย่างนี้ก็เรียกตัววิรติเป็นเจนสิกสีไอตัวสัมมาวาจาเนี่ยยกตัวอย่างไอสัมมาวาจาที่เป็นกถาสัมมาวาจาก็บนีเช่นการกล่าวเนี้ยเมื่อามาตั้งใจกล่าวแต่ไม่ได้ประรบศีลเลย กล่าวดีมีเหตุผลไม่มีโทษใช่ไหมกรณีแค่คำกล่าวเป็นอะไรเงี้ยที่เป็นกุศลตอนนั้นมีกุศลเป็นประธานถ้าเจตนาสัมมาวาจานี่คือเจตนาจงใจตั้งใจที่จะกล่าวที่เป็นไปกับความดีทั้งหลายอันนี้ก็เรเจตนาเป็นประธานนี้ไม่ไม่ขับเน้นสองตัวนี้แต่วิรตีเนี่ยท่านขับเน้นไปตัวที่ตัววิรตีตัวสภาพที่เข้าไปงดเว้นเวรเจตนาทั้งหลาย เช่นเวรัเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จเวลาจะกล่าวคําพูดจะกล่าวโกหกจะพูดเท็จไปเสร็จไอตัวเจตตัววิรัตเนี่ยนะตัวเวระตัววิรัตตัววิรตีเนี่ยก็เป็นสภาพที่เป็นงดเว้นไอเวรัเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จคือตัดรอนได้พราะตัดรอนได้ปุ๊บเนี่ยนะอย่างนี้ก็เรียกวิรตีสัมมาวิ ร, ต, ร, วรตีเกิดแล้วเช่นเวลาจะพูดเท็จ ใช่ไหมครั้งหนึ่งจะพูดส่อเสียดครั้งหนึ่งมีเจตนาในการจะกล่าวจะพูดคาหยาบเนี้ยจะพูดเพอเจอรู้จะพูดเท็จทไหมเคยพูดไหมเคยืลยนั่นกระทู้ศีลดิแล้วเราเร า, เราคิดว่ากล่าวเท็จครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นอคุศุลกรรมไหมกรรมนั้นทําไปแล้วมันจะไม่ให้ผลก็ดีและให้ผลเราเราก็จะเจอเจอสิ่งที่เท็จ เสียยห า, ยากรรมที่กราทำเราจะเวลาไปขอความจริงใจกับใครที่ไห น, นเขาก็จะโกหกเราอยู่แล้ ว, ลวเราเบียดเบียนกระแสชีวิตเราในปัจจุบันพบนี้็ยาน้ำยาทำมตรลายชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวเชื่อเธื่อขอไนเชื่อเพื่อเชื่อเอเขาก็ไม่เชื่อก็อโท้งการกล่าวเท็ จับแขนก็ความเชื่อที่เชื่อที่เขาก็จะไม่เชื่อกรรมนั้นให้ผลได้มาทั้งๆ ท, ท, ที่เรื่องจริงเราจะไม่เชื่อเลยอันนี้คือให้ผลในปัจจุบันก็เสียหายมากส่อเสียดกรรมนี่แตกแล้วคําส่อเสียดนี่คือพูดให้คนเขาเขาขัดแย้งกันไปบอยฝ่ายหนึ่งแล้วไปบอยฝ่ายหนึ่งแล้วก็แตกกันอย่งนเนี่ยโอ้โหถึงไม่แตกกรรมนี่มันมันก่อตัวหมดแล้วเนะี่ย แต่ถ้าคกบกรรมมาบดหน่อยก็แตกกันเลยไอ้กรรมตรงเนี้เอาเนี้ยลองดูกร ะ, สะแสชีวิตเรานี้เกิดมาบางครั้งเราก็ต้องแตกแยกกับพี่น้องแตกแยกกับครอบครัวแตกแยกกับเพื่อนฝูงง่ายที่สุดคบกับใครก็แตกแล้วแตกแล้วแต่ด้วยนี่มันกรรมเราทําไว้แล้วแล้วทำไมเรามาซ้ําเติมตัวเองไหมซ้ําไม่ซ้ำเราก็มาซ้ําเติมตัวเองอยู่ลําไปนี่เบียดเบียนเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบีย น, น, ย น, ย น, ยนตัวเอง เวียดเยนตัวเองแต่เขาแต่เก็เข า, เขาถ่ า, าเห็นไหมน่ากลัวที่สุดไอ้กรรมแตกและแยกสังคมไทยเนี่ยทํากรรมผิดแล้วแตกแยกกันหมดแล้วตอนนี้เ<ม>ขาจะให้ยังเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ใส่ร้ายกันเนี้ยซอเสียดเอาตัวอัดข้อมูลอีกฝ่ายใส่กันอยู่นั่นแหละสองฝ่ายสาฝ่ายเนี่ยทุกวันเนี่ยสภาพสังคมที่มันเป็นวัจจีทุจริตข้อสองขาดศีลกันเนี่ย คือพูดส่เสียดไม่มีทางจะรวมตัวกันไนดะ้สภาพสังคมเป็นแบบเนี้ยไอ้สังคมไอ้สังคมเนี่ยมันคือจะต้องไปร่วมอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมนี้มันไม่ใช่แล้วไอ้สายยึดโยงสายใหยตรงนี้มันถูกริ่มเนี่ยไอ้ลิ่ ม, นะมตรงนี้มันตอกไอ้หินเนี่ยนะถูกริ่มตอกปุ๊บปุ๊บปเนี๋ยวนี้มันแตกออกไปสองเสี่ยงแล้วประกอบกันยากไหมยากแล้วแล้วกรรมแต่ละฝ่ายทําไปนั้นกระแสชีวิตมันจะส่งผลแก่ใคร มันก็ส่งผลให้ ก, ร, กระแสะชีวิตของท่านคู้นั้นเองเนี่ยกรรมที่ทำเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งการแตกแยกก็อย่าไปทำมองเห็นอย่าเขาว่าไงการพูดที่ไม่ตรงกับข่าวความจริงค ท, ที่ไม่ได้เจตนาที่จะเป็นการเปลี่นนยนเนอ่าเ่ต้องยอกเหตุผล คขาป็านได้เมเงินเซียเพราะว่าเรื่องของการโกหกทที่เท่ที่น้เคยได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าลกน้องค่ะใช่ไหมเาจว่าเป็นเรื่องที่ทอมยากมากที่ว่าจะให้พูดทุกอย่างจริงหมดเพราะว่าความจริง่ก็ทำร้ายกันนะคะก็เลยว่าจริงจรแล้วมันขึ้นอยู่กับคำพูดหรือ่กัเจตนาเพราะว่าคือคือคนที่เขาศึกษาคำสอนมาดีเนี่ยเขาเข้าใจคู เขาจะมีปัญญาในการที่จะพูดยกตัวอย่างเช่นว่าคําพูดบางอย่างเนี่ยถ้าเราศึกษาคําว่ามูสาวาศก็ดีพูดเท็จก็ดียกตัวอย่างเช่นนะแม่กล่อมลูกบอกเออนอนซะนะลูกนะเดี๋ยวกิงจกมันจะมากินตอบแล้วจริงๆข้อที่จริงมันกินได้ไหมคำพูดอย่างนี้ไม่เป็นมูสาวาศเห็นไหมไม่เป็นมูสาวาศ ด, ด้วยเพราะเจตนาไม่ได้ไม่ได้ไปเรื่องของการโกหกเจตนาเพื่อต้องการให้เป็นประโยชน์ เพต้องการให้ลูกนั้นหลับและมีสุขภาพแข็งแรงเขาขับเน้นตัวนั้นด้วยมันต้องเข้าใจด้วยนะว่ามุมการศึกษาคําสอนเนี่ยมันไม่ได้ตรงเหมือนตรงเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะตรงแบบขาดปัญญาไม่ใช่งั้นการศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยต้องต้องต้องขับเน้นความเข้าใจให้ชัด ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็เลยไปพูดกันว่ารักษาศาีลประกอบธุรกิจไม่ได้รักษาศาีลเป็นนักศึกษาไม่ได้รักษาศาีลขายของไม่ได้ยิ่งไปขนาดใหญ่นี่นคือความไม่เข้าใจของสังคมไทยนี่คือความไม่เข้าใจฉะนั้นยิ่งมีข้อมูลความรู้เช่นว่าคนสองกลุ่มมันจะแตก แ, แยกกันแล้วพูดจริงไม่ได้จริงตามนั้นเด้ๆไม่ได้ก็มีวิธีอุบายวิธีพูดเออคุณต้องอย่างนี้นะแต่ต้องการพูดให้เขาประสานกันไม่ใช่พูดให้คนแตกแยกกัน แต่ถ้าจงใจเจ็ดจานงนะพูดดีมากฉันรักคุณมากหวังดีกับคุณนะเนี่ยคนคนนั้นว่ามาแต่คุณอย่าไปคิดกับเขามากนะเนี่ยคุณโดนว่ากันหนำเสียหายนี่เป็นคุณรล่เมีวบอกไปอีฝ่ายนั้นแม้ไปฝ่ายนั้นก็ร้อนหูชาเลยเลยไปเไอ้พวกนั้นก็เล่นงานคุณแย่เลยเนี่เห็นเป็นคุณนะแต่คุณอย่าไปทำแต่นี่คุณแสะแล้วแสะให้มันแตกแล้วอย่างนี้เป็นทั้งทั้งที่กล่าวดีวาจาก็เพราะ ให้เลาะหน้าฟังด้วยแต่ก็เป็นวจีทุจริตซอเสียผิดศีลเห็นไหมเช่นเราพูดด้วยความโลภเนี่ยนะพูดด้วยพูดด้วยบาปอกุศลเนี่ยแต่เราพูดประสงค์ร้ายนะเช่นว่าเออคุณเนี่ยทำดีนะเนี่ยกระทำไปอย่างนี้เบี เ, เศษเนี่ยเอ อ, เ อ, อขออภัยนอนนะ นอนหลับนะเอย่าต้องทำงานนอนให้มันตายไปเลยสมเด็จนะแต่ น, ะนิจใจ ม, มันโกรธมากเลยไม่ยอมมาช่วยเราทํางานเนี่ยอันนี้เป็นคําพูดหยาบหรือเปล่าเห็นไหมคําพูดอย่างนี้หยาบมากเลยนะมันออกจากโทสะนีโทสะที่เป็นเหตุถึงการพูดเพราะนี่นะเขาเรียกว่าพูดหยาบเข้าใจอยา่างเนี่ยกรณีท่านขับเน้นไปตัวที่กุศลที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ไปขับเน้นอะไรคาคพูดแม้แต่นั้นนักล้องมาก็เอาละที สวัสดีครับผมรักคุณมากใช่ไหมขอกราบงามๆไปในตักของผู้ฟังทุกท่านอย่างนี้สมมติเนีนะ่ยนะเพราะไปเนี่ยมันมันใช้วาจาแบบนี้คนก็ปองก็หลงนี่มันวาจาจริงที่ไหนอย่างนี้เท็จชัดๆเลยอ่ะเพราะเจตนาเขาไม่ได้คิดกับเราอย่างนั้นเขาคิดจะเอาเงินเราใช่ไหมใช่ก็คิดจะหลอกคิดจะเอาเงินอย่างเนี้ถ้างั้นโอ้โหวาจาที่เราพูดกันหนุ่มสาวพูดเนี่ยถามว่าแม่โทรปุ๊บก็บอกแม่คิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกถามคุณ เชื่อเป็นไปได้ไหแต่ว่าชชาแบบนี้มันจะเยอะไปหมดใช่ไหมทุกวันเนี้ข้อความแบบนี้เยอะมากเลยบอกว่าถ้าหากว่ายังมีอ่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่ตราบใดขยายของฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตราบนะั้นอย่างเงี้ยไอ้ความคิดไอ้คำพูดลักษณะนีเเ้เพ้อเจ้อเพ้อเจอ้อไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลย ไอ้ตรงนี้เราก็สังเกต ด, ดูว่าโอ้นี่คำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยพระองค์ก็สอนใี่เราฉลาดที่มีความเข้าใจกระแสของชีวิตและก็รู้จักที่จะใช้ชีวิตถูกต้องเห็นไหมว่าคำพูดบางอย่างเนี่ยพราะว่าดีนี่แหละแต่กลับกลายเป็นบาปและผิดศีลด้วยไม่น่าจะหยาบได้ใช่ไหมเออเนี่ยบอกลูกไอ้บอ ก, กบอ ก, บ อ, กอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่า บอกกับเขายัางไงเขาก็ไม่ไม่ช่วยไม่ฟังนั่นต่างก็พูดกับเขาพอๆแต่ในใจโขมหน้าดูก็เย้ยๆไปการปั้นสีหน้าทั้งๆที่ใจเป็นบาปแต่แค้นคำพูดออกมาพอๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจีสุจริทเป็นว่าจีทุจริตเช่นเจอหน้ากันแล้วก็บอกโอ้โหคิดถึงมากไม่ได้เจอตั้งนานแต่พูดจาโอ้หเบื่อโคตรเบื่อเซ็งเยอะยไอ้สมก็ข้อไปเนี้ย เบื่อมากเมื่อไรจะไปสักทีแต่ปากก็ต้องพูดไปอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่เป็นวิจิตรจริตอันนั้นเพราะใจมันท้อจริตไปแล้วเห็นไหมขับเน้นที่ไหนศีลน่ะขับเน้นที่ใจที่จิตนั้นเราจะดูยากมากถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดตัวคนนี้มีศีลหรือไม่มีศีลทาเป็นนิ่งๆก็ได้อย่างนักศึกษาหญิงอ่ะดูนิ่งๆใช่ไหมอาจในใจอาจจะรุ่มร้อนไปด้วยความคิดที่ไม่ดีเยอะแย ะ, ยะนักศึกษาชายดูหลุกลึกหลุกลึกสมมติไงนะ อาจจะอาจจะมีศีลก็ได้อย่างเงี้ยพ่อก็ดูปัญญาแต่ไม่ใช่จะไปเหมาจ่ายอย่างนั้นนะถ้าบอกโอ้โหถ้าหลองหลกแล้วดีถ้าหันนิ่งๆิ่งแล้วไม่ดีเดี๋ยวก็เสียอีกมันต้องขับเน้นนึกว่าคนจะมีศีลหรือไม่มีศีลต้องอยู่กันนานๆถึงจะรู้คนจะมีปัญญารู้ได้โดยการสนทน า, นานอจะไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นถ้าไปอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งก็จะรู้ว่าคนนี้ทุศีลออกมาห ร, มมหรือไม่มีศีลหรือไม่มีศีลมือนท่าเนี่ย เวาอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มสังเกตได้แล้วว่ามีศีลไม่มีศีลท่านก็จะดูกันได้ไม่ยากอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวาจาส่อเสียดเป็นเหตุแห่งการแตกลาวและสภาพสังคมไทยนีนแตกลาวเพราะวาจาส่อเสียดท่นบอกอันวาจาชั่วตั ว, ตวอุบาทช่งร้ายกาจจนเหลือที่แม้เป็นลูกพ่อแม่ก็ไม่ดีเป็นน้องพี่ก็ลำคาญใช่ไหมตรงนี้เขาก็ลักษณะของวาจาเนี่ย วาจาที่ส่อเสียดแล้วก็พูดคำหยาบคาหยาบบางที่พูดไปแล้วก็คือคําพูดไปแล้วเสร็แูแต่เกิดจากใจที่เป็นบาปด้วยเช่นถ้าภาษาบางภาษาเนี่ยโอโ้โหฟังหยาบมากเลยออกภาษากูมือหมดเลยใช่ไหมพอคนลามัไม่ใช่หยาบนะต้องดูที่กระแสใจด้วยแม้ทั้งนั้นสุพรรณ น, นี่สุพรรณบุรีนี่ภาษาฟั ง, ฟงแล้วใช่ไหมดูเหมือนหยาบเลออกกูออกมือแยะแย่ไปเสร็จหรือภาษาบ้านามานี่ก็ออกกูออกมืงแยะแย่แบบนี้ อันนี้ก็ขับเน้นที่ใจด้วยนั้นคำว่าหยาบแต่สําคัญที่สุดพวกเราเนี่จะเสียตรงเพอเอ้อนนเจือคําว่าเพอ้อเจอที่ไร้สาลระเนี่ยเจอหน้ากันจะเล่าเรื่องละครเอกเอกคนนั้นนางเอกคนนี้มันจะได้กันแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูจะได้จะไม่ได้แหมรุ่นนะดูรู้สึกตามงอกันมาหลายยกเรื่องงานเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เพอ้อเจอเป็นบ่อยไหม เไม่เป็นเจอหน้ากันมันน่าจะคุยเรื่องวิชาการใช่ไหมระดับนักศึกษาแต่มาคุยเรื่องอะไรมแล้วไม่ค่อยอยากหยูนั่งใกล้ๆนักศึกษาเวลาเขาคุยกันเนี่ยฟังแล้วไม่ไหวใช่ไหมมันมีคำเพ้อเจอเยอะคือคำไม่จริงเยอะแยะถามว่าไอ้เล็กเยอะไอ้ละครทั้งหลายที่มาสแสดงจเป็นเรื่องเขาปั้นเรื่องขึ้นมาไหมปั้นเรื่องพวกเรานี่ชอบเรื่องโกหก ชอบเรื่องโกอันนี้คือจุดบอดวิธีคิดแล้วโกหแบบไม่ค่อยมีสาระด้วยท่ามีสาระก็เพราะว่าโกหเรื่องอะไรเรื่งของครัวเรื่องอะไรต่างเรื่องไปกินอาหารเรื่องไปเที่ยวเรื่องไปอะไรต่างเนี่ยนข้าวนข้าวเขามาทะเลาะกันแย่งผู้ชายกันอะไเยอะแยะเงี้ยเนี่ยนักข้านักข่าก็เอาน้ำมาแล้อยู่ก็รู้รู้อยู่ใช่ไหมบางทีเนี่ยแฝงใส่วัดออกมาอยู่ที่วัดอยู่กลาง มันไปไ ป, ไปจัดสถานที่ในวัดเสร็จแล้ก็มันก็มันก็ทํามันก็ถ่ายละครก็สแสดงกันอึ้งอ้าก็มาแล้นี้งานนี้คงได้งานนี้เยอะแล้วหลอกคนได้เยอะที่การแสดงลักษณ ะ, ะนี้ก็เยอะคนไม่คนปกติมีความโลภอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปเพิ่มมือเขาปกติคนเรามีความโกรธอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปเพิ่มมือเขามากขึๆๆ้นความหลงก็มีแล้วก็ไปเพิ่มฉะนั้นการกระทําที่เ <S <S พิ่มโลภโกรธหลง แต่ทาไมเราชอบอ่ตอบได้ไมนักษาข้างหลังยนะตอบได้มทาไมถึงชอบเรื่องเพอเออ่อตอบได้ไหมเพราะอะไรอ่อาทไมถึงชอบเรื่องเอเจอตอบได้ไหม้ย <c ười> <c ười> อ, อ๋อเพราะปังแล้วมันเพลินๆไม่ต้องคิดมากพอแต่เรื่องเรื่องจริงจังมันต้องคิดมากเลยเ<อ>นี่ยเฮ้ยดีคิดพลาดเลยอ๋โอโลภะมันได้ทำงานไม่ใช่แล้วความโลภมันได้ทำงานความโกรธยังไม่มันไม่ใช่ไม่คิดมากนะ อดูละครดูทีวีมันเรื่องนั่นคิดมากที่สุดบางครั้งในชภาวะที่มันกําลังสู้รบกันเนี่ยเครียดไหม ค, คิดคนมากขอพายคิดอย่างมากเลยเนี่ยคิดอย่างมากเลยแหละไอตัวคิดมากที่สุดแล้วยิ่งมันวางแผนกันแล้วเนี่ยมันจะรบกันแล้วเนี่ยคิดมากนะโอ้โหเคยคนคนเล่นเกมเนี่ยมีการเล่นแบบหน้าดำต้งเครียดไหยโอ้โหตาจ้องเขม่งยังจะกินอะไรอะ่ะ ปั๊บปุบป๊ปัเงี้ยนั่งลุ้นคนเดียวโยกซ้ายโยกขว า, ขาไปเองนะนั่นหรือไม่คิดมากแล้วเขาบอกว่าผ่อนคลายเขาว่าอวิธีคิดมันผิดหมดแล้วลองมานั่งดูเขานะวิธีคิดเรามีกล้องมีอะไรก็ลองถ่ายเพื่อนตอนท่าที่เากําลังลุ้นนั่นแหละแล้วก็มานั่งดูก็ฝึกคิดแค่นี้ถ้าปัญญามันไม่เกิดใช่ไหมหรือบางคนที่กําลังอถ่ายแต่ภาพตรงที่เขาหัวเราะดีดูตลกที่เป็นเรื่องไร้สาระทั้งหลายน่ะถ่ายภาพเข้าไว้ เอาวอจับเขาไว้สักพักหนึ่งก็หัวลอกกา้กากา้าขึ้นมาเลยนะบางทีก็แสดงอาการหรือไปดูที่เขาดูภาพยนตร์ที่ร้องไห้ก็ไปถ่ายมาดูถ่ายถ่ายถ่ายมันนั่งคิดโอ้โหเหมือนคนดีหรือคนบ้าวะแล้วก็นั่งคิดอย่างเงี้ยนะทําไมที่เด็ก ย, ยุกเหมือนกับคนโทรศัพท์สักพัก ห, หัวลอกคนเดียวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วเาก็ร้องไห้เลยนะแล้วก็มานั่งคิดดูว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเห็นไหมว่าสิ่งต่างๆเนี้ย เราต้องเอามาดูบางครั้งปัญญาไม่เกิดใช่ไหมเอามาดูซ้ําๆบ่อยๆเหมือนเพลงเนี่ยเราบอกเพลงมันเพราะใช่ไหมฟังเลยฟังทุกเรื่องเลยฟังที่เขาล้องเอาเนื้อหามันจดๆแล้วอ่านแล้ ว, แ ล, วแล้ววิเคราะห์ดูที่วิเคราะห์ทุกคําพูดดูที่เราจะได้อะไรบางทีมันมีคําพูดอยู่สามสี่บรรทัดนะ่ยแต่มันใส่ดนตรีประกอบหลอกเราฟังเงินซื้อไม่รู้เบืองเงินเบื ง, ง, งทองไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เงินที่เราจะต้องเสียไปกับเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่ ผิดพลาดมากเลยเพราะปัญญามันไม่เดินแล้วเราก็ามากล่อมเราอยู่นั่นแหละใช่ไหมกล่อมแล้วถูกอะไรไม่รู้มันเหมือนว่านี่มันไม่เมามากคุณต้องฟังแบบนี้ถึงจะมอมเมาเยอะๆก็ฟั ง, ง, ง, งเหมือนอย่างนั้นเราบดเสือร้ายตัวเองทุกวันเนี่ยจนวิธีคิดของเรามันหลุดลุ่ยหมดแล้วขนาดหมอนี่นะขนาดตอนนั้นมาไปผ่าตัดเนี่ยเขาจะทำระบบแบบว่าบล็อกหลังไม่ให้สลบนี่นะ โอ้มาลาคาญมากเลยเออหมอผ่าตัดก็ฟังเพลงกนะันแล้วเปิดเพลงเสียงดังแล้วมีการร้องเพลงไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่นะมาโอ้โหนี่หมอนะเนี่เออมีการร้องไปถามแล้วก็ถามหมอร้องเพลงทําไมเขาบอกร้องให้มีสมาธิไหมนั่นะบอกิยอมปิดบอบาๆหน่อยอามาจะท่องพุทธคุณเยอะไหมเขาก็ต้องเกรงใจคนไข้เย่ะไหมก็ไปปิดบอกนี่ หมอเล่นไปร้องเพลงกลดเงี้ยเกิดอามาใจขาดตูมไปตอนเนี้ย อ, า อ, นนอามาก็ไปเอาใบภูมิเนี่ยนี่หมอทําไม่ถูกหมอก็ตรึกคํารึกพุทธคุณดิอิติพิโสพระวางเงี้ยเอามาชื่นใจบ้างแล้วบางทีคนไข้ตายในขณะคามีดหมอเนี้ยคนไข้เขาจะได้มีสุขสติเป็นไปในเบื้องหน้าหมอจะได้ได้บุญ <c oughs> อันนี้ไปทํำมันก็ได้บาปหมออะไรเงีย้ยบอกว่าอาจารย์หม อ, อเขาหยุดหยุดพากันอยู่เปล เขาจะสวดพุทธคุณมันปิดเลยบรรยากาศตอนนั้นสงสัยเครียดแยล่นะเดีมาไม่สนใจแล้วมันทําลายใช่ไหมมันทําลายความรู้สึกไม่ดีออกมาเอาเพลงอะไรมาลงเราออกมาแล้วสนุกมีการร้องเพลงไปด้วยเนี่ยนะผ่าตัดเนี่ยร้องเพลงแบบสนุกสนานไปด้วยเขาบอกเนี่ยนะขนนาาาเขาสอนนักศึกษาก็ต้องทํานี้ทั้งนั้นเครียดหมดอาก็เลยบอกอาจารย์หมอว่านี้คุณสอนผิดไปปรับวิธีใหม่คุณสอนผิดหมดแล้วแต่เนี่ มันต้องทํามันต้องทํางานด้วยกุศลจิตนี่มันน่าจะมีซาเบลใช่ไหมแล้วก็เปิดธรรมะกันคนละนก็เสียหูฟังโอ้โหเอากุศลกรรมมันเป็นอย่างนี้นะเป็นกุศลกรรมนะการที่มาช่วย เ, ยเพื่อต้องการใจคนพื่จากทุกเนี่ยรวมเป็นบุญเป็นกุศลนะอะไรต่างก็ตึกให้เป็นกุศล ใ, ใจก็เบิกบานไม่ได้เจริญกุศลธรรมไปด้วยใช่ไห ม, มันเป็นอย่างนี้นีสังคมไทยมไม่ถูกเพราะวิธีคิดแบบนี้ไงมันก็เลยถูกปลูกฝังวิธีแบบผิดพลาดมาเนี่ย นู้นตั้งแต่คนหักฟืนยันผู้บริหารสงสุดอะ่ะฟังเพลงติดเพลงวมดเลยทุกวันเนี่ยติดอะไมุกวมดเลยนะแล้วอย่างงี้เป็นไงเสียเลยเดี๋ยนี้แล้วแก้ปัญหากันยังไงเนี่ยไปบอกไปเอาต้องแก้ปัญหาต้องอย่ามองเมาเยาวชนเอาจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเอาแล้วหลงกันเป็แถวเป็นแนวแต่นี้ดูทีเนี่ยดูสภาพก็มีคอนเสิร์ตที่ไหนตีกันที่นั่นไหมตีกันที่นั่นแหละเอาไปมุกตามมาเพียบ กินเหล้าเสพดูดบุหรี่เล่นการบั น, นันใช่ไหมแล้วเรื่องกรรมคุณเรื่องผิดก้อการมีเต็มไี่หมดแล้วแล้วดูทีสมุทรสาคสมคนไทยอะลองนั่งรถไปตามที่ต่างๆลองดูที่ทว่บ้านสมคนรดูแลไปดูแถวบ้านนอกพ่อแม่เราส่งลูกเข้ามาดูก็ไม่รู้ลูกทําอะไรวันนั้นนั่งรถไปโยอมที่ขับรถประชีดดูท่านอาจารย์ห่อยที่ สภาทั้งกรงดูดิดดพ่อแม่ก็มีทําไร่ทำนาส่งลูกมาเรียนจนส่วนใหญ่นะเนี่ยอยากให้ลูกได้ดีไ ด, ด, ด้ดีดูลูกดีหาซื้อของแต่งตัวเที่ยวกับผู้ชาชายก็ไปติดผู้หิงแต่ตอนกลคืนเนี่ยท่ า, านอาจารย์ดูที่เนี่ยรถแท็กซี่จอดเป็นแถวดูดิเนี่ยจอดเป็นพันพันคันท่านอาจารย์นะตั้งแต่คนรวยเย็คนคนจนๆเนี่ยเที่ยวก็เต็มหมดกลางคืนเนี่ยอยาง ก, ก็ไปดูมโหฬารศพ มีสถานมันเทิงเป็นเทาหมดเลยนี่เลยนี่เลอเมืองโพนี่ปัญหาก็ตามมาแีเนี้ยเรียนไปสิแต่เนี้ยใช่ไหมนี่จะบ้าเรียนไปสถ้าเป็นแบบนี้ต้องบอกว่ามันเราต้องแข็งแรงแล้วถึงมาแค่เนี้ยแค่นี้ต้องเป็นแข็งแรงเป็นตัวอย่างแล้วจริงไหมจริงนั้นต้องดึงเอากุศลศีลมาประชุมในชีวิตจริงให้ได้แล้วทั้งมันแก้แก้โดยเองให้ได้ไปเสร็จแล้วต่อไปสภาพต่างๆมันจะขยายออกได แต่ถ้าเราที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมยังอ่อนแออยู่อย่างนี้นะนะ่งเข้านั่เข้าหมดเลยดิเนนั่งเข้านะครเขมันจะล้อมหมดในสารที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะล้อมไปเต็มเอาไปปุ๊บพอเปิดประตูออกไปปุ๊บก็จะอา้าวเที่ยวสถานเริงรมก่อนค่ยกับบ้านยุ่งเลยดิเเ <laughs> ชื่อมั้ยนี่เป็นอย่างนี้นี่ก็นี่ความอ่อนแอทางด้านครูสลอละธรรมอาจจริงๆแล้วเรามองอย่างา ง, งี้กันไหเราเรียนร่ำจะร่มใช่ไหมเอาลองดูดิ ข้างทางที่เดินก็นไปแถวถ้าตอนเ ย, นเยน็นๆนักศาลาบอกว่าทำอะไรเอามาไปผ่านทุกวันเวลาไปพักทิ้ลไปที่เนี่ยเอามาต้องผ่านตรงนั้นนะเดินเป็นแถวมาเลยเอนันนี้ใช่ไม่ใช่อั น, นี้นี่คืออะไรเนี่ยใช่ใช่เขาไปรักษาศีลห้ากันั้มใช่ไม่ใช่ใช่ ใ, ชใชเป็นสถานที่สมาทานศีลไว้ตรงนั้นนะไม่ใช่เลยใช่ไหมเต็ม ไ, ไปหมดได้ทำํำไง แล้ววิชาที่เราเรียนแล้วเราแอบมาทำอย่างนี้นเขาบากนกว่าตรงนี้ก็ต้องไปนั่งคิดใช่ไหแล้วแล้วก็ไปแก้กังั้นเจตตัวเจตสิกสีนก็คือสัมมาวาจานี่เข้าใจาแล้วนะสัมมากรรมันตะสัมมากรรมันตะเนี่ยมีเจตนาสัมมากรรมันต์ใช่ไหมแล้วก็วิริยะสัมมากรรมตะอันนั้นไม่ได้ขับเน้นตัวนั้น เจตนาคือตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าสัอันนั้นเป็นเจตนาเจตนาเป็นประธานวิริยะเป็นประธานแต่ในนี้ขับเน้นตัววิรตีตัววิรตีเป็นสภาวะเวรเจตนาเนี่ยเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าที่เป็นเหตุแห่งการรักมันก็ละอย่างกันนะเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเป็นบาปอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมออกมาทางกายเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการรักก็ใช้กายเหมือนกันใช่ไหมที่ขับเน้นไปที่กายแล้วเจตนาเป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในก่า เแล้วขับเคลื่อนทำให้รูปทำให้กายเนี่ยมีการที่จะไปไปประพฤติผิดกิจการไอ้ตัววิรตีคือสัมมากรรมตางเนี่ยวิ ร, วรตีเนี่ยมันจะไปะตัดรอนเจรณาสามประเภทอย่างตัดรอนเอเวราเจรนาอาวิสี่ิปัญญีถการฆ่าปัญญะถึงกา ร, าอการลอายกตัวอย่างเช่นพอเห็นสิ่งของคนคนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าเห็นก็ตั้งใจ เราจะต้องเอาให้ได้แล้วก็เป็นเหตุทําให้เราเดินไปด้วยแต่ต่อมาด้วยการที่สมาทานสิงไว้ใช่ไหมตัวกุศลศีลเนี่ยเรตีที่เป็นสัมมากัรมต่าวเวทีเนี่ยก็จะมาตัดรอนตัดรอนตัวไหนเอเวลาเจรนาที่เป็นเหตุให้เดินไปรักเลยให้ไปหยิบทำท้าจะหยิบเนี่ยสมมุติเงี้ยนะมันยั้งได้ไหมเวทีตัดรอนปุ๊บนี่ยั้งได้ไหม บางครั้งตัดเบาๆไม่ได้ด้วยนะตัดปุ๊บเฮ้ไม่ได้เอาใหม่มันจะเอาใหม่ในะ้เจตนาร่างเนะี่ยต้องตัดอีกครั้งไหมต้องตัดบ่อยๆตัดเวรติจะตัดเนะั่นตัดอย่างนี้สมมติจะหยิบของเนะี่ยเขาจะหยิบเอ๊ะไม่ใช่ของของเราเวลาเจเวลาเจตนาอากักขศนิปนิยเหตุแหงการให้มือเนี่ยยยื่นไปในการที่จะจับ อันนี้ตัววิรติก็จะตัดไม่ให้ใ ห, ให้มีการหยุดหยุดการกระทำตรงนั้นได้ฉะนั้นการหยุดการกระทำได้นั้นเป็นวิรัตคือตัวมดเวน้นถ้าหากว่าอย่างนี้เข้าใจใช่ไหม ย, ยากไหม เขาบอว่า <c oughs> อย่างนั้นจะไปบอกประกาศว่าหนึ่งเขาไม่เข้าใจเรื่องศีลถ้าเขาเข้าใจเรื่องศีลเนี่ยเขาจะเห็นว่ากรณีที่ไปเบปียดเบียนหรือไปกระตุนสลา ย, ปล ย, ปล ย, ปลยไปทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงโดยทางที่ตัดรอนกระแสชีวิตตินซีของเขาเก็หมายความว่าไปตัดรอนชีวิตของเขาไม่ให้กระแสชีวิตของเขาเนะี่ยขับเคลื่อนไปได้แทนที่กระแสชีวิตของเขาเนะี่ยจะต้องเป็นไปตามปกติ เช่นเขาจะต้องมีชีวิตอยู่เดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนหรือปีหนึ่งอันนั้นเป็นกระแสชีวิตของเขาแต่เราใช้สัตว์ตราใช้อาวุธใช้ความที่เป็นสัตว์ใหญ่กว่าเขาเนี่ยไปประทุสร้ายเขาไปเบียดเบียนกระแสชีวิตเขาให้เขาหยุดยั้งไว้แค่นั้นกระแสชีวิตของเขาไม่สามารถจะดําเนินต่อไปได้นี่เป็นบาปมหาหยานเลยเป็นบาปก็คือว่าถามบอกว่ากรรมมันนี้ถ้าให้ผลคุณปกติคุณจะต้องมีชีวิตอยู่ เจสบปีแต่กระแสชีวิตของคุณคุณก็จะต้องถูกยับยั้งแบบนี้แทนที่จะอยู่ให้ครบเจสปีก็จะถูกเบรกถูกยับยั้งด้วยการกระทําต่างๆเยอะแยะของของสิ่งต่างๆด้วยการที่เหตุในอดีตคุณทํามาแล้วแต่คุณมาทําผิดพลาดในปัจจุบันนีกจะเป็นเหตุทําให้ตัดรอนกระแสชีวิตของคุณไม่ถึงเป้าหมายปลายทางที่กรรมของคุณให้ผลจะถึงเห็นไหม เราเนี่ยมีกรรมที่หล่อเลี้ยงมาจะให้กระแสชีวิตอยู่ได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ได้กรรมเหมอนการที่เรามาประมาทเนี่ยมาตัดรอนกระแสชีวิตสัตว์อยู่เรื่อยกรรมเหล่านี้นี่แหละจะมาเบียดเบียนกระแสชีวิตทําให้กระแสชีวิตของเรานั้นไม่ยืดยาวไปตามอํานาจที่ควรอยู่เขาเรียกว่าตัดรอนตัวเองทุกครั้งที่เราตัดรอนบุคคลอื่นชื่อว่าตัดรอนตัวเองให้ทำความเข้าใจบอกคุณไม่ได้ไปทําคนอื่นเลยแต่คุณทําตัวเองแท้ คุณไม่แค่ไปตัดวงจรชีวิตของคนอื่นเท่านั้นแต่คุณตัดวงจรของชีวิตตัวเองด้วยแทนที่วงจรของชีวิตของคุณน่จะยืดได้ห้าสิบปีหกสิบปีหรือเจ็ดสิบปีแต่เมื่ออยู่มาได้สักระยะหนึ่งของช่วงชีวิตนั้น่ะกรรมนั้นได้จังหวะโอกาส ก, าก็จะมาตัดรอนคุณเหมือนกันแล้วกระแสชีวิตของคุณก็อยู่ได้ไม่ถึงนะก็ะไม่เป็นไรถ้าคุณกล้าต้องบอกเขาอย่างนั้นต้องท้าเขาเลยว่าถ้าคุณกล้าเชื่อว่าคุณเบียดเบียนตัวเองอยู่แล้ว ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องตัวนี้เข้าใจใช่ไหมต้องบอกเขาตรงๆเนี่ยสิ่งที่คุณทำนะ่ะใช่คุณเบียดเบียนคนอื่นแต่กรรมตัวนั้นมันจะเป็นวัตตจกักรตีมาเบียดเบียนกระแสชีวิตของคุณเองแล้วกระแสชีวิตของคุณก็จะต้องโดนโดนอุปัตถะเหตุแบบนี้แทนที่จะอยู่ได้ตามระยะเวลากําหนดของกรรมนี่ให้ผลแต่ตรงนี้จะตัดรอนกระแสชีวิตทําให้กระแสชีวิตคุณไปได้ไม่ถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ ถามว่าถ้าคนคุณมีปัญญาคุณทําทําไม่ค่ะถามเออเบียดเบียนเขาทําไมอ่ะเบียดเบียนเพืเ่อความสาสใจเพื่อความกลัวหรือเพื่อความอะไรต่างๆใช่ไหมถ้าถามบอกว่าเขากลัวคุณมากกว่าคุณกลัวเขาเขาอยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยคุณหมดนะ่ะหนึ่งคุณตัวใหญ่กว่าเขาใช่ไหมกําลังก็มากกว่าเขาความคิดก็ดีกว่าเขามีวิจารณญาณก็มากกว่าเขา เขาทำผิดยังไม่น่าจะให้น่าจะยังไม่น่าจะไปถือโทษเขาโดยซ้ำไปเพราะวิจารณญาณเขาไม่มีธรรมสัญญาเขาไม่มีเขามีแต่โคจรัสัญญาการหากินมรณะสัญญาคือการตายผัวตายแล้วกับก ร, รมมัสัญญาคือการวิ่งหาเสรก ร, รมหรือเรื่องกา ร, ก ร, รมอกรรมุณแต่ธรรมสัญญาเขาไม่มีแต่คุณมีธรรมะสัญญาคุณดีกว่าเขาแต่คุณไปทําตัวแย่เท่าเขาอ่ะนี่แล้วคุณเสียหายเองใช่ไหม คุณทำไมไปรถตัวเองลงต่ำต้อยขนาดนั้นแล้วคุณก็ทำธรรมะสัญญาที่คุณมีอยู่พัฒนาที่สัญญาในธรรมความที่ทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยความรู้จักรับผิดชอบชั่วดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดไอ้นี่หรือความเป็นมนุษย์ของคุณเนี่ยคุณเอาความเป็นมนุษย์มาเบียดเบียนสัตย์ต่ำต้อยอ่อนแอกว่าไอ้แย่มากขยายยางแล้วก็บอกความจริงกับเขาเขาจะเข้าใจความจริงใช่ไหมถ้าเข้าใจความจริงนี่เขาจะเบียดเบียนไหมแบบนี้ เอาถามว่าเขาปัญญามากกว่ากว่าความาแมลงมุมลรือแรงมุมมีปัญญามากกว่าเขาถามว่าคุณมีความคิดแค่จะเบียดเบียนแมลงมุมแค่ใช่ไหมไม่เบียดเบียนเขาทำไมคุณต้องกรุณาเขาเห็นใจเขาเขาต้องมาเกิดเป็นอบัยศาสตร์เนี่ยว่ากรรมชั่วแล้วเราเราก็มีโอกาสพลาดทั้งได้เห็นใจเขาการุณาเขาเมตตาเขา เพียงแค่เขาจะมีอาศัยที่อยู่หน่อยย้อนเข้าไปหรือไรอกใช่ไหมหรือถ้าเรากลัวหน่อยก็หาอะไรไล่เข้าไปเข้าไปแล้ว<ม>ทําเสียงดังๆหน่อยเขาวิ่งป่าแล้วหรอบแล้วอยงเนี้ยใช่ไหมไอเราไปห่วงที่ถ้าถามไอที่ตรงนั้นเขาเขาคิดว่าเป็นของเขารู้เป่าก็เหมือนที่ตรงเนี้ถ้าเราไม่อยู่มดก็อยู่กันเต็มนะนี่เขาพูดไม่ได้แต่เขาพูดได้เขาจะปุกเขาจะเดินบท้วงกันเต็มหมดใช่ไหมบอกทำไมมากวาดที่เขาเขาอยู่มาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ย สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันต้องอยู่กันแบบเอื้อทอนไหมเอื้อทอนน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผ้าข่าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายอะ่ะใช่ไหมใช่เสือพีพ่อป่าปกป่ารคพ่อเสือยางเดินเย็นว่าย่าบางย่ายังว่าเดียเดียมันต้องอาศัยกันไหมต้องอาศัยกันนิจใจไม่เอื้อเพื่อใจไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็บอกตามความเป็นจริงถ้าบอกนี้ถ้าเขายังขืนทําให้ปัญญาแล้วยัง ให้แสงสว่างแล้วยังไปดับแสงสว่างเขาอีกเขาฉลาดไหมเขาปล่อยก็ทกํากรรมไปอแล้วเอาจุดแสงสว่างให้เขาแล้วเขาก็ดับออกเขาอยากจะอยู่มืดๆเนะี่ยเขาอยากจะอยู่อย่างคนขาดปัญญาเอาแล้วก็เอาเพียนพยายามจุดให้เขาใหม่เอาเขาดับอีกเอาจุดให้ใหม่ดับอีกเกินสามครั้งไม่ไหวแล้ว <c oughs> เสียเวลาจุดเขาใจะใยอย่างเนี้ยเจอเพื่อนๆ ก, นกนจสส็จุดแสงสว่างให้เขาจุดแสงสว่างให้เขาสาคัญเราไม่รู้จะจุดยังไงนี่เลยใช่ไหม เอาความมืดให้เขาไปไปเยี่ยวกันดีกว่าไป น, นี้ไปเลยเดี๋ยวนี้พากันมืดเข้ารกเข้าพงไปเลยเพราะจะมองเห็นไม่ละเอาใครถามปัญหาบ้างอันนี้เหลือเวลาเยอะเวลาจะหมดอีก ครับคือสงสัยเรื่องฐานะเราเรื่องพญาาีกับยานนะครับอะไรนเรื่องเรื่องานาภยทานะครับที่ผานสายม้อออเ่องอทำไมเลยอ๋อวรื่องนี้ไาต่อกับกับญานาแน่นอน่ปแน่นอนเอาเป็นอุโบรถคือก็คือได้ทำอาอุโสแลกรรมก็คืออย่างนี้คือการที่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ว่าท่านเกิดในฐานะอะไรน กบริษัทเมื่อได้รับพุทธวิญญาณแล้วจะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่เล็กกว่านกนกระจอกนกกระจาบเล็กๆจะไม่โตมากกว่าชา้างนั้นเราทั้งหลายทำไมว่าพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการฆ่าสัตว์เดรัจฉานด้วยนะตรงนี้ก็คือว่าถ้าอย่างเราเนี่ยไปรรเผลอผิดพลาดขึ้นไปไปพทุทธศาลายบุคคลที่บำเพ็ญบารมี ส, สูงสุซึ่งเขาท่านอาจจะบาเพ็ญโดยฐานะเป็นอบายสัตว์ แล้วซึ่งบุญบารมีท่านเนี่ยสูงมากทั้งทานบารมีศีลเลขธรปัญญาวิญญานั้นถ้าไปเบียดเบียนรักไหนนี่เราเราเยแย่กระแสชีวิตเราตกต่ำมากมีอยู่คำหนึ่งที่ไม่ถ้าบอกในคณะเมชีที่เป็นครูบาอาจารย์เพื่อว่าสิ่งที่ควรควรคิดกันให้หนักอยู่ข้อนึงพระพิฆาตบอกว่ากรรมที่เราไม่เคยทําไม่มีเลยยกเว้นมรรคกรรมเช่นกรรมที่จะ โซดาพอดีมันีังไม่เคยทํสาสกาัทาคามีมักไม่เคยทําอนาคามีมักอรหัตมักในกรรมสี่กรรมไม่เคยทําเลยในกระแสะขันในสังสารวัตถ้าเราทําเนี่ยเราก็คงเป็นผ้ายะไปแล้วนี่คือไม่เคยทํานอกนั้นทําหมดเลยทีนี้พอบอกนอกนั้นทำหมดเลยเนี่ยฉะนั้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจอ้อนะแล้วก็โลภโกรธเศราโง่ทำมาหมดแล้วนะกุศลกรรมบาดสิทธิ ที่หนักไปกว่า น, นั้นก็คือว่าเราเคยทํามาดูคาดข้าแม่มาเลยในดีเคยทําปิาตุค่าข้าข้าพอมาเคยทาาคาาาําอารหันตคาตเคยฆ่าพระอรหันต์มาเลยเคยทำโลหิตตุบบาเคยทําสังกะมาเลยทําให้พระบรมศ า, าสดาหอบเราอยู่แต่พระองค์ไหนไม่ทราบ แล้วเคยทําให้สงแตกกันมาแล้วทีนี้กรรมเหล่านั้นก็เคยนํากระแสชีวิตเราลงสู่อเวียีเรียบร้อยแล้วอันนั้นคือเป็นชาวนาดวงที่เจดหมายกรรมยังจะให้ผลในพบที่สองแต่กรรมนั้นมันยังมีกําลังอยู่คือตั้งแต่พบที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจักรปรินิพพานเอาละแต่เนี้ยลองสังเกตดูว่ า, าบริวารของสุพรหมเทพประมุขซึ่งเป็นเทวดา ถ้าเชีก็เคยฟังหนึ่งสังเกตยังไงแกมีบริวารพันหนึง่งอีกห้าร้อยกำลังเก็บดอกไม้เป็นๆแล้วหายว่าแกก็ตกใจสุผมเทพุทธายไปไหนบริวารพอกำหนดดูเพราะแกเป็นเทพที่มีบุญพอสมควรแกเห็นบริวารแกไปอยู่ในเเวจีนี่คืออะไรไปอยู่ในเเวจีนะ เป็นเทวดาไม่ได้ฆ่าพอ่อไม่ได้ฆ่าแม่ไม่ได้ทำร้ายพระหัรไม่ได้ทำโลหิตให้ห่หอนั่นแหละคือกรรมที่เป็นอัปาราภระวเวทีกรรมให้กระแสชีวิตของเทวดาทั้งห้าร้อลงมเวทีไปแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวลฉะนั้นทุกขติทิมีทั้งหลายเนี่ยตอนเนี้ที่ตั้งแต่จะให้ผลในภที่สามเป็นต้นไปของเราทั้งหลายเนี่ยมันจะมาทางทวารตาของจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเขอะทำบาปในปัจจุบันนภพไปสอดรับกับกรรมเก่า ที่มันรอจังหวะรอโอกาสอยู่เมื่อไรเมาบวกมันคล้ายมันตรงกันเมื่อไรกันนะเรียบร้อยชีวิตมีโอกาสลงมาใบโยมสุงนี่ไงพระพุทธเจ้าถึองบอกว่าอย่าประมาทแต่การมีชีวิตอยู่เพราะเรากรรมที่ทําสําเร็จแล้วเนี่ยที่มันยังมีกําลังอยู่มันก็ตามกระแสชีวิตอยู่แล้วไปข้างหน้ากายทุจริตพอพูดผิดทางกายวจีทุจริตทางวาจามโนทุจริตทุจริตทางใจที่มันมืดเนี่ย ข้างหลังก็ไฟก็ล้อมมาใช่ไหมข้างหน้าก็มืดบอดเข้าจใจย่างแม่กระแสชีวิตที่เราไม่มีพระธรรมเป็นเครื่องหนุนเนี่ยเสียหายมากฉะนั้นพุทธเจ้าจึงนําเสนอกุปสรศีลบอกว่าให้มีกุปสรศีลเข้าไว้เป็นการป้องกันด้วยอกุปสรกรรมจ ะ, ะคอยเบียดเบียนกระแสชีวิตก็ไม่ได้จังหวสะสักทีเพราะเราไม่ทําบาปสอดรับเข้าจใจยางเราไม่เราไม่ท้อขอไปอะไรนะใช้ไม้ดิ ถ้าไม่มีนายทายใช่ไหมครับถ้าใช้ลองแทงถามได้ดีก็อย่างนี้มันมีอยู่แล้วสภาพของคนชั่วของคนที่คิดประทุษร้ายแม้แต่ทุกวันเนี่ยคนที่จับงูขายเต็มไปหมดคนที่ประทุษร้ายงูเต็มไปหมดใช่ไหมมันไม่รู้จักหมดจดสิ้นเพราะคนมีทั้งคนดีคนชั่วฉะนั้นถ้าถามบอกว่ากระแสชีวิตเนี่ย เมื่อเดินไปสู่จุดต่างๆแล้วเราจะเจอสิ่งหนึ่งนี้เต็มไปหมดถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอุปการะเกียรติพระโพธิสัตว์ไหมทำให้บารมีท่านแข็งแรงและเข้มแข็งจริงหไหอไ ม, ม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องช่วยขัดเกลอยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนที่กระทาชั่วเนี่ยมันเลยกลายเป็นพลาดกลายเป็นพลาดไปทีนี้ มุมของความที่จะขัดเราขันติบารมีไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยบุคคลนั้นก็ได้ดินฟ้าอากาศก็เป็นปัจจัยการสร้างคันติบารมีได้ใช่ไหมใช่เช่นความกรณีความที่อดทนต่อการเจอพายุเรือล่มอย่างเงี้ยล้าก็จะต้องวยอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องขันติหรือแบบพระมารดาใส่บาแล้วต้องการที่จะไาย แล้วต้องการจะเอามาดาขึ้นปังให้ได้อันนี้คือพระบริษัตว์เบเป็นบา ร, รมีทั้งนั้นฉะนั้นถามบอกว่าถ้าไม่มีคนทําชั่วปัจจัยอื่นที่จะทําให้สร้างบา ร, รมีก็เยอะแต่ในข้อแท้จริงเป็นไปไม่ได้เลยมีทั้งคนดีคนชั่วเพราะเมื่อมีคนชั่วนี่แหละเพระโพธิมารสาสนาจึงคิดอยากจะช่วยทั้งคนดีและคนชั่วถ้าไม่มีคนที่คิดอาถรรพ์อย่างพระพุทธญาติที่ว่าต้องการจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ ออกจากวัตฏะออกจากสังสารวัฏแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลักษณะเนี้ยสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอยู่ในกองของโมหันอัตการนี่นะโมหะนี่คือความมืดบอดก็จะออกก็จะไม่รู้ไม่รู้ว่าวิถีชีวิตจะเดินยังไงก็เหมือนพวกเราสังเกตดูไหมว่าถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนเนี่ยเราวางเป้าหมายชีวิตสเปสป่ามากเลยจะวางยังไงเราก็ไปวางเป้าหมายชีวิตว่าได้ใบประกาศได้งานทําอันนั้นทั้งๆ้งที่เป็นผลโดยอ้อมใช่ไหม ผลโดยตรงก็คือการขัดเกลาการเพิ่มภูนทักษะความสามารถการเพิ่มคุณธรรมคือศีลคือเมตตาคือกรุณาคือมูริตาคือเวขาเพิ่มคุณธรรมในใจให้สูงขัดเกลาร์ด้วยเองขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าผลโดยตรงแต่โดยอ้อมก็คือนั่นแหละอยู่ในสภาพสังคมก็ต้องมีสถานะรองรับทางสังคมก็ว่อันนี้ก็เราแยกกันถูกแล้วใจเราก็ไม่ไปโหยหา หรือว่า ม, วมัวเมาเฉพาะผลเลยก็เข้าใจเหตุผลว่าทําไมเราอยูอออ่ในสังคมอยู่ในชีวิตเนี่ยอยู่ในโลกใบเนี้ยจําเป็นที่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบเป็นเครื่องที่จะทําให้เรานั้นอยู่ในสภาพสังคมได้แต่แล้ะเราก็ไม่ไม่กระทาที่ผิดพลาดเป็นโดนพอจะเข้าใจท่านวัดอย่างนี้น ะ, ะยกตัวอย่างนี้ที่บอกว่าอย่างยกตัว อ, อย่างเช่นว่าคนที่สั่งฆ่าใช่ไหมคนที่ไปฆ่า คนที่ไปฆ่าเพราะจำใจใช่ไหมอีกคนหนึ่งไปดูแล้วยินดีในการฆ่าสมมติตั้งสั้งสามคนนีนะ่ถ้าคนที่สั่งฆ่าเนี่ยคนคนนี้ต้องบาปมากกว่าสั่งฆ่าแต่คนที่ไปฆ่าแบบจำใจต้องทำเนี่ยอันนี้บาปก็จะน้อยกว่าท่านวางคติไว้อย่างนี้ว่าคนที่สั่งฆ่าเนี่ยนะให้กรรมมาจำที่มาไม่ได้นะคนที่สั่งฆ่าเนี่ยเป็นตายเป็นสัตว์นรก คนที่จําใจต้องฆ่าเพราะถือว่าเราเป็นลูกน้องเขาเพราะอย่างเงี้ยนะเพราะต้องเป็นึ้งฆ่าเนี่ยถ้าตายไปแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ากรรมจะเป็นลักษณะแบบ่นเงี้ยอีกคนหนึ่งบอกว่าไปเห็นเขาฆ่าแล้วยินดีในการฆ่าเออดีเหมือนกันคนนั้ตนตายเนี่ยตายไปแล้วก็เกิดเป็นเปรตอย่างเงี้ยนะเนี่ยกรรมมันจะเป็นอย่างเงี้ยผลจะเป็นอย่างเงี้ยเอาเพื่อสั่งฆ่าเป็นสัตว์นรกถ้าตายไปแล้วกรรมนั้นให้ผลโดยเองอย่างเงี้ยนะจำใจจำใจต้องฆ่า ไม่รู้มันไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยก็เป็นอบยศัตว์ประเภทสัตว์เดรัจฉานไปพวกนี้โมหะเยอะยินดีหมดเนียเขตายก็ดีดีใช่มหมยกตัวอย่างเช่นโอในบ้านหลังนี้ขาไปมีทั้งหูเต็มไปหมดเลยไอ้ทั้งเจ้านายมาจัดการฆ่าหมูหมูหมดเลยยาเลยไอ้คนทำหลบากเนเรจะมาฆ่าหมูให้ลูกน้องเาไปดูี่ทำไปไอ้คนที่จะมาอยู่โอ้ดีเหลือเกินหมูตายเราไดอยู่สบาย สรุปเลยหมดเลยเนี่ยสัตว์นรกสัตว์เร่าฉาแล้วก็เป็ดนี่จะเป็นแบบเนี้ยกรรมมองเห็นไหมไอ้ Cos อยู่ดีๆแต่ใๆใช่ไหมเขาฆ่าเป็เดเสร็จนั้นไปดีใจเขาเนี่ยต้องระวังไว้พทีลุ้นน่สมมติดอกกระแสกันเมืองต่อสู้กันใหญ่แล้วมีการตายไอเรานั่งเฉยๆตายทุกที่ก็ดีเขาไปเงี้ยเสร็จเลยไอคนสั่งฆ่าก็อีกอย่างหนึ่งนะใช่ไหมไอคนที่จ้องจําใจมาฆ่าก็าเองใช่ไหมไอคนที่ไปยินดีที่เขาฆ่ากัน อยู่ดีไม่ดีปล่อยป้าพลอยฝนไปเขาไหมเนี่ยนั่งลุ้นอยู่ที่บ้านเนี่ยพลอยได้เป็นกระแสกรรมนั้นให้ผลก็ร่วงมเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเขา้าใจยังเนี่ยพฤติกรรมจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ในฉันคําสอนนั้นจะวางระบบการให้ผลของกรรมแบบนี้เลยไม่มีดีเลยใช่ไหมอยู่ดีดีอะ่ะทัานเขาต่อสู้กันอย่าไปลุ้นอย่าไปลุ้นข้างเสียหายตรงเนี้ยไปลุ้นข้างแล้วยุ่งเลยคนเขาต่อสู้กันเขาจะยัง เวราเนี่ยเวราตัวนี้แปลว่าเวรใช่ไหมเช่นเวราเจตนาที่เป็นเหตุแห่การฆ่าก็การถูกเวรกันเใช่ไหมเช่นการฆ่าการลักการกรพือผิดในกรรมเนี่ยเป็นเวเป็นเวราเป็นการเป็นงานผูกเวรนั่นเองแต่กรรมนี่แปลว่าการกระทำแค่นั้นเองการกระทำเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้กรรมมาศนี่แปลว่าการกระทำ ยิ่งไปบอกเจ้ากรรมในเวนนไปใหญ่เลยเดยไม่รู้จะพูดคิดยังไงเลยใช่ไหมมันเป็นคำพูดที่เสริมก็มาเนี่ฉะนั้นคําว่ากรรมเนี่ยการกระทําทางกายเขาเรียกกายกรรมใช่ไหมการกระทําทางวาจาเรียกว่าจีกรรมคิดในใจเขาเรียกมโนกรรมแค่นี้ถ้าหากว่าเป็นการทําฝ่ายดีแล้วก็เป็นกุศลเป็นบุญไปถ้าคิดหรือกระทำฝ่ายไม่ดีก็เป็นบาปเป็นอกุศลไปนี่คือตัวกรรมกรรมเป็นคํากลาง ยังไม่ได้ขับเน้นว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าดีเป็นกุศลกรรมถ้าชั่วเป็นอกุศลกรรมเป็นบาปอย่างเงี้ยนะบุญกับบาปก็แยกกันแค่แค่นี้เองกรรมแต่เวราก็คือกรณี่งการที่ว่าเป็นเวราประเภทผูกเวรข้อไหนกันนะข้อการฆ่าหรือข้อการลักเป็นเวรประเภทนะข้อการประพฤตปิดในกรรมหรือผู้พูดเท็จหรือส่อเสียดคำหยาบเพื่อเสียก็คือเวรเนี่สองคาว่ามาใส่กันแล้วมาพูดแปลงเลยเป็นล้ํานวลลมก็แค่นั้นเองไม่มีอะไร ถ้าเรา ร, รู้ความหมายของสองคำนี้ใช่ก็อกอันนี้ก็ชัดเจนนี่พอพอมองเห็นคืออย่างนี้คืออย่างนี้นะว่าเราด้วยเนาะการดูทีวีเนี่ยจริงๆมันดูแบบผิดก็ได้ผิดถูกก็ได้ให้ตั้งหลักอย่างเงี้ยดูเพื่อเสพก็ดูเพื่อศึกษาเข้าใจคําว่าเสพไหมเสพคือการบริโภคแบบมัวเ ม, มาหรือเมามันแบบสนุกสนานนีแบบบันเทิงก็ดูเพื่อศึกษา แล้วก็มาแปลนวิธีที่ว่าเราจะดูเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้เพื่อจะได้เข้าใจเช่นว่าอถ้าสมมติเขาแสดงเนี่ยแต่เราไม่ไปขับเน้นที่ตัวละครแต่ขับเน้นที่เนื้อหาสาระที่เรื่องราวว่าเออสังคมชีวิตจริงเนี่ยเขาจำลองออกมายัางไงอันนี้ดูเพื่อศึกษาไหมาอย่างเงี้ยดูแบบนักศาดูอะไม่ใช่ดูเพื่อเสพแบบเมามันเอาเอาบันเทิงเอาเองแบนี้เสียเลยแต่ดูว่าที่เขาดูก็ดูมาวิจัยดูว่าเอ๊ะเนี่ย เหตุผลที่เขาแสดงอย่างนี้ทําไมคนมันชอบมากเอาและทีเริ่เริ่มจะตั้งหลักการศึกษาแล้วเข้าใจยังเมื่อตั้งหลักการที่จะศึกษาจะต้องการที่จะเนี่ยสังคมไทยเนี่ยแล้าขาดตัวปัญญาเนี่ยเราขาดการที่จะให้ความรู้ให้ปัญญาคือวัฒนธรรมทางปัญญาเนี่ยมันเริ่มถดถอยวัฒนธรรมการเรียนรู้มันไม่มีไงมันขาดวัฒนธรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการศึกษา ที่มีการศึกษาเป็นระบบแล้วก็มีการเรียนรู้มีการวิเคราะห์เจาะประเด็นใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะต้องมามาปรับวิธีคิดว่าระหว่างเสพระหว่างบันเทิงระหว่างหัวเมาเนี่ยมุมต่างๆเหล่านี้บอกไม่เอาเลแล้วแล้เป็นนักศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีคําว่าศึกษาอยู่ในนั้นว่าไอ้ศึกษาเนี่ยเป็นชื่อของหลักจริงๆศึก ข, ขาเนี่ยเป็นข้อที่ฝึกฝนเพียรพยายามนะ ในการที่จะทําให้ศีลทําให้สมาธิทําให้ปัญญานะพัฒนาจเจริญ ย, ยิ่งขึ้นไปนะเขาว่าศึกษาสิคติสอบนั้นนะเพื่อจะต้องการทําตัวนี้นี่เราก็มาใช้เขาเป็นนักศึกษานักศึกษาศึกษาไม่ต้องฝึกฝนเพียรพยายามพัฒนาเปลี่ยนระบบทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่เขรียกศึกษาเขเรียกนักศึกษาถ้าศึกษาไปแล้วเป็นไปเพื่อความเสพติดมัวเมาลุ่มหลงนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่นักศึกษา แล้วก็ดูอย่างนักศึกษาดูและนักศึกษาไม่ใช่เป็นแค่ในรั้วมหาลัยออกมาแล้วไม่ต้องเรื่องศึกษาทั้งนั้นเรื่องการฝึกฝนเพียรพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองทั้งนั้นใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าอู้ศึกษาคืออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆไม่ใช่เลยทุกอย่างที่มันโถงกันมาใช่ไหมเมื่อกี้ถามว่าเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทุกอย่างที่โถงกันมานั้นเราจะต้องศึกษาจะต้องฝึกฝนว่าเราจะไม่เป็นทาสของสิ่งนี้อย่างไร ก็แปลว่าท่านใช้คําว่าปัญญาภาษาโทปัญญาดูดประสาทก็คือขึ้นสู่ประสาทแลมองดูนี่ชัดไหมขึ้นสู่ประสาทก็มองดูเพ่อมาวิจัยมันจะชัดแต่ไม่ใช่เอาปัญหาไปอยู่อย่างใหญ่เลยมันมองไม่ออกไม่รู้เบื้องต้นลำกลางที่สุดของปัญหาอยู่ไงแต่เราต้องสามารถขึ้นประสาทของปัญญาแล้วก็ชิงเน้อเข้ามามองดูดูอะไรดูสภาพของปัญหาว่าเออปัญหานี้เป็นอย่างเนี้ เอ็มันจะงศึกษาและในขณะที่ศึกษานั้นก็มีความรู้สึกว่าที่จะเจาะลึกและต้องการอยากจะรู้อยากจะได้ข้อมูลตรงนั้นตรงนั้นจิตใจก็อาถรรพ์ล่าเรินแล้วก็ผ่องใสไม่ใช่ศึกษาแบบประเพติว่าเครียดวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆนั้นแต่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีกุศลศีลตัวกุศลศีมีตัวขันติด้วยนะขันติสังวรในนั้นด้วยคือความอดทนอดทนก็คือความไม่โกรธ แล้วมีเวรียดาอยู่ในนั้นด้วยคือเพียรพยายามฝึกฝนแปลว่าตนเองนะตั้งหลักได้ด้วยแล้วก็เป็นคู่มั่นคงด้วยแล้วเวลาเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆโถมเข้ามาสู่กระแสชีวิตก็ตั้งหลักได้สติสมัมปชัญญะค่อนข้างดีมากยิ่งั้นก็มาวิจัยดูเอ๊ะเหตุผลเกิดถึงนี้เพราะอะไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่ใช่ว่าปลิวไปตามสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นพอจะมองเห็นไหมเอาใจะถาม นี่ดดีอยคนือคือเป็นเด็กเลยกๆค่าพี่ี่เคยความดูแลแล้วก็เขาเขาว่าผู้อื่นที่เําว่าว่าเ่าเ่าออ่านคะแล้วก็เลยบอกอ่ะ้ก็เลยบอกเขาบอกว่าพูดองนีดีแล้วก็โดยผู้อี่ที่พูดพูดกประมาณว่าถ้าเราว่าคนอนเนี้ยลำบาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาคำนีว่างั้นพ่องั้นพ่อจะได้เขาพ่อาเพราะว่าอจได้คำว่าทุกวัน เเป็นเป็นเป็นข้อที่จะกีดใจคว่าเราก็จะสอมาว่าให้พูดดีกับพ่อแม่พูดแั่พูดดีกับพ่อแม่่เป็นบาปแต่ในกรณที่พ่อแม่คือว่าสารุ่ยด้วยด้วยอารมณ์ด้วยคือด้วยความรักรด้วยอารมณ์ที่มเสื่อช่ด้วยอีถือว่าถือว่าเป็นปามอ๋อ่ก็คืออย่างนี้นะในกรณีนี้คือสภาพที่ระบบไอ้กรณีที่ว่า เ ด, เด็กเด็เาเจอสภาพประมาณนั้นก็ต้องอดไม่ได้ที่เจต้องคิดแล้วก็บอกให้เขาเข้าใจว่าคําว่าบาปเนี่ยก็คือสภาพใจที่เป็นเสียนะสภาพใจที่มันเสี ย, นะส ม, สยมันเกิดความร้อนรุ่ ม, มเกิดความไม่สบายใจแล้วก็เกิดความโลคยึดติดทั้งหลายเกิดความโมเมาหรือลุ่มห ล, ล, ลนั่นคือสภาพบาปแล้วก็บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เมื่อมีสภาพจิตใจอย่างนี้แสดงว่าจิตใจของท่านเ่็บาป แต่ว่าเราในฐานะที่เป็นลูกควรจะตั้งท่าทีกับพ่อแม่อย่างไรแล้วก็ต้องสอนบอกว่ากรณีที่เราถูกว่าเนี่ยเราต้องมาหันดูว่าว่าเขาท่านว่าเราเนี่ยท่านอาจจะจิตเป็นบาปอันนั้นก็เราไม่อยู่ในฐานะที่เป็นแนะนำท่านไดน้แต่เราเนี่ยอยู่ในฐานะทนี่ต้องดูแลตัวเอเราเองว่าเราจะตั้งท่าทีกับเสียงด่าอย่างไรลองปรับปรุงตัวเองหน่อยดีไหมบอกเขาเลยนะเช่นกรณีที่ว่าปรับปรุงวิธีการว่า เธอลองฝึกขัดกราบท้าคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆดีไหมใช่ไหมก่อนนอนก็ได้ก่อนจะกราบประกาบท้าคุณพ่อคุ ณ, คณแม่ทุกวันวันละครั้งสองครั้งเนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะเมตตาแล้มีความรักในตัวหนูมากขึ้นแล้วกรณีเสียงด่าก็จะการเป็นเสียงชมการเป็นเสียงชื่นชมแล้วหนูก็ฝึกในการที่จะรู้จักที่จะกระทําอะไรให้พ่อแม่ไม่หนักใจหน่อยใช่ไหมรู้จักที่จะเข้าไปกอดพ่อแม่บ้างแล้วก็ กลาวพ่อแม่บ้างแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้พ่อแม่บ้างถ้าหนูทําอย่างนี้เสียงพ่อแม่ที่ด่าก็จะกลายเป็นเสียงชมเสียงรักถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าหนูเกิดมาเนี่ยมันจะรับแต่เสียงชมอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมแต่เสียงด่านะั้นหนูเอามาคิดเป็นปัญญาที่ฟังนะเอามาคิดเป็นปัญญาที่ว่าเออเสียงด่าเขาช่วยตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาดของเรานะ เราจะได้ปรปับปรุงแต่เสียงชมจะทําให้เราเลื่อเหลิงนะเสียงชมจะทําให้เราเหลิงจะทําให้เราลิลล้นยึดติดแล้วก็มัวเมาทําให้เราประมาททาให้เราไม่ขัดเกลาตัวเองไม่พัฒนาตัวเองทําให้จิตเราย่ําแย่ในส่วนจริงเราก็ถูกหลงตัวเองถูกชมเตลเตื้เพื่ใช่ไหมลูกเราสวยลูกเราสว ย, ย, ยลูกเราสวยแกจะตางอย่างลูกเราสวยลูกก็สวยเสร็จเลยแล้วการไปติดคําชมไปเลย เเข้าเพราะไปนอกบ้านคนที่มันเกลียดเราก็เยอะใช่ไหมหน้าตาคุณขี้เละขึ้นมาเอาอะไรเนี้ยชอมีปฏิกิริยาต่อตาฉะนั้นก็บอกว่าอยู่กับความจริงให้เขาเข้าใจความจริงว่าชีวิตเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นเสียงพ่อแม่ดา่าไม่ใช่เป็นเสียงเขาท่านจะมาปฏิสลายเราท่านให้พรเพื่อต้องการให้เราขัดเราฉะนั้นเราก็ฝึกคิดให้เป็นอะไรก็กฝึกให้เขาคิดดีไหมแบบเนี้ยีคือว่า เราตอเงนก็บางครั้งเนี่ยตัวเราเองแม้วะดูมก็ยังโนปนอยู่เรื่อยๆทั้งจากเพื่อนจากจากหรือว่าเราิดจกยักใหญ่อะรเงี้ยค่ะซึ่ง่อยครั้งที่ที่มันามความรู้สึกทางที่ไม่รู้สึกโหรอ่สคือมันรู้สึกว่าเรากำลังรงนะที่อยากจะทราบว่าที่พราจารย์ที่อายบอกว่าให้เราพยายามที่จะมคะัวเคงเข้าใจะคะเขค่ะ ค, คือตรงนี้นะถ้าทีเนี่ยให้คิดนียมาใช้คําว่านักรบเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจเราเท่านั้นเองมันไม่ใช่ต่อสู้ฟาดฟันกับคนอื่นใดๆเลยจริงๆปัญหาตัวปัญหาเนี่ยมันคือการต่อสู้กับความรู้สึกที่มันมันมันผิดพลาดในกระแสใจเราแต่เราไปมองเป็นเรื่องของคนอื่นไปแท้จริงคือมันเรื่องภายใ น, น ถ้าเราสามารถจัดการแก้ความคิดภายในนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าเราก็ชนะโลกได้เหมือนพุทธิย่าใช่ไหมก็ชนะโลกชนะกิเลสเป็นต้นได้นั้น่าจัดการกับกระแสวิธีคิดภายในได้ทีนี้ถามว่าในขณะที่เราเนี่จะต้องเจอทั้งเสียงตำหนิเสียงตีฉินอินาตาต่างๆเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยนักกีฬามีนักฟุตบอลเป็นต้นถามบอกว่ากรณีนักฟุตบอลเป็นต้นเวลาก็จะเตะจริงเลยนะเตะบอลจริงๆเลยนะไปเล่นฟุตบอลจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีการฝึกซ้อมใช่ไหม สิ่งต่างๆนี่ในทํานองในลักษณะเดียวกันก็คืออย่างนี้ว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําให้ตัวศีลตัวกุศลศีลน่ยตัวศรัทธาตัววุริยะตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาศรัทธาคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของวรรณาตรายัยวิริยะคือความเพียรพยายามใช่ไหมในการที่จะออกจากความคิดที่ไม่ดีเพียรในการตั้งจิตให้อยู่ในกุศลศีล ทำกุศลศีลนั้นให้ต่อเนื่องไม่ขาดตอนสติก็คือการไม่หลงลืมในการที่ระลึกทันระลึกได้ตามเ ล, ลิกได้นิกิจที่ทําและคําที่พูดแม่นานได้ต่างๆ่างนี้เป็นต้นตัวสมาธิก็คือความวิจิตนั้นมีกํำลังก็คือมีความตั้งมั่นไหต่ออารมณ์ต่างๆเบ็เส็จคําว่าตั้งมั่นก็แปลว่าไม่โอนเอียงไปต่อสิ่งเล้าต่างๆปัญญาก็ทํากิจในการวิจัยแล้วก็รอบรู้เอวิจัยก่อนว่าแต่ลืมตาขึ้นขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องวิจัยทําความเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องเจอทั้งเสียงชมและเสียงสรรเสริญเสียงนินทา<ม>เสียงนินทาและเสียงสรรเสริญเราจะต้องเจอทั้งสุขและทุกข์ใช่ไหมเราจะเจอทั้งดีใจและเสียใจแล้วมีลาบและเสริมลาบเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นกระแสชีวิตมันจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ฉะนั้นก็ตั้งมณฑสการบอกว่าเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้เราจะวิจัยแล้วก็ตั้งท่าทีให้ถูก แล้วก็จะไม่ทําให้จิตเรานั้นโอนเอ็นไปต่อสิ่งที่ชมและสิ่งที่ตําหนิแล้วก็จะไม่โอนเอ็นไปต่อที่เราจะต้องประสบกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตหรือได้ดีได้ดีเมื่อเจอสิ่งต่างๆก็ตั้งหลักทุกครั้งและตั้งบ่อยๆการตั้งท่าที่ตั้งหลักใจไว้แบบนี้แล้วเมื่อไปเผชิญกับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าตั้งหลักไว้แล้วพร้อมรับปัญหาอย่าไปคิดแบบเพลิดเพลินหรือประมาทแบบมัวเมาทุกวันตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาก็ตั้งหลักตั้งหลัก การตั้งหลักในลักษณะเนี้ซึ่งเราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดแล้วหลับตาตื่นขึ้นมาก็ต้องตั้งหลักกันค่อนข้างบ่อยครั้งแม้นั่งอยู่ตางนี้หรือฝึกหัดอบรมเนี้ยเราก็ต้องตั้งหลักใช่ไหมว่าสิ่งต่างๆที่จะต้องเจอหรือโถมเข้ามาในกระแสะวิธีความคิดเนี่ยมันจะมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ตลอดเวลาสรุปก็คือว่าขจัดไอ้ใจที่เป็นฝ่ายเสี ย, ยเรื่อยๆทําให้ปัญญาได้มาออกกําลังถามว่าร่างกายที่เราออกกําลังกันตอนเช้ายิ่งออกกําลังร่างกายยิ่งแข็งแรงไหม ก็ทําให้แข็งแรงปัญญาของเรามันไม่ได้ออกกําลังมานานแล้วศรัท ธ, ธาก็ไม่ได้ออกกําลังมานานแล้ววิรยิยะความเพียรก็ไม่ได้ออกกําลังสติคือการระลึกได้ตามลึกได้ก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังสมาธิคือความตั้งมัน่นก็ไม่ได้ออกกําลังไม่ได้ฝึกฝนฉะนั้นเราก็พัฒนาให้สิ่งต่างๆเนี่ยปลกปุกร้าคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ต่อเนื่องดีไหมถ้าทําอย่างนี้แปลว่าทําให้ตนเองรู้สึกตื่นตื่นตัวในการที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าทำในลักษณะอย่างนี้เราก็จะสามารถออกจากบาปของตัวเราทํมเนลามกด้ดีไหมถ้าทำแบบนี้คิดว่าทำยากไหมมันเป็นความคิดเช่นความคิดในการที่จะทำให้ปัญญาเกิดความคิดที่จะทำให้สติเกิดมันไม่ได้ทำยากนะ ม, มันเกี่ยวกับการปลุกเราให้เกิดเราจะรอรอ้อยมันเกิดเองได้ไหมได้ไหมมันต้องมีอาหาร ร่างกายจะอยู่ได้ต้องเอาอาหารใส่ไปไหมฮะสภาวธรรมเหล่านี้ต้องให้ให้อาหารหมดเลยเนะนี่ยเนี่ยศรัทธาก็ต้องให้อาหารปัญญาต้องให้อาหารไหมถามหน่อยอะไรคืออะไรคืออาหารของปัญญาเออหนูจะตอบหน่อยดิอะไรคืออาหารของปัญญาละครทีวีอะไรคืออาหารของปัญญา อาหารอะไที่เไม่ได้เลยอาหารของปัญญาคะ<า> <ๆๆ S 1> เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าตัวใกล้ชิดจริงๆก็เรียกโยนิโสมนสิการตัวโยนิโสมนสิการการฉลาดคิดการคิดถูกทางถูกวิธีถูกอุบายนี่ก็เป็นอาหารของปัญญาสมาธิก็เป็นอาหารเป็นเหตุใกล้ของปัญญาใช่ไหม หรืออย่างพวกเราเนี่ยก็เรียกปัญญาทัสกาวัยวัยปัญญาถึงหรือเปล่าที่จริงก็เอาถ้าตามหลักร้อยปีเป็นยุคไขนเนี่ยเขายาวสี่สิบถึงห้าสิบนี่เขาเรียกวัยปัญญาถ้าใครเกินห้าสิบไปแล้ววัยปัญญาเริ่มเสือ่อมเลยไม่เอามาได้เริ่มเสือ่อมเนี่ยวัยเนี้ยนะกรณีแห่งความเป็นผู้ฉลาดคิดเยคิดเป็นคิดถูก้างคิดถูกวิธีอันนี้ก็คือการนะอ่านก็เปน ตกลงเลยจะไม่จบวันนี้เรื่องสีเลยเดี๋ยวสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะในนี่ที่พูดเด่นนี่ของพระก็อย่างของของโยมก็อย่างเนี่ยถ้าอย่างสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นตัวกุศลความเพียรที่เป็นไปกับความเพียรที่ถูกทางอเป็นสัมมาอาชีวะเว้นจากค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์เป็น ใช่ไหมค้าขายยาพิดอันนี้เ้าเรียกรูปแบบที่ท่านตั้งหลักเอาไว้แต่ตัวสัมมาอาชีวะจริงๆเขาจะไปตัดลอนตัวมิจฉาอาชีวะคือการคิดเลี้ยงชีพในการหลอกลวงเขานันากศึกษาก็หลอกลวงได้ใช่ไหมก็สามารถที่จะทำอาชีพหลอกลวงเป็นต้นได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่ขอให้มีบัตรนักศึกษาแล้วก็บัตรนักศึกษาที่มีอยู่ไปทำอาชีพที่ผิดาพาอย่างเนี้ย นี่ก็จะเป็นวิชาชีวะหมดเลยเยอะอาชีพที่ผิดพลาดจะไปหลอกเขาโดยฐานนะว่าโอ้เราเป็นนักศึกษานะตอนนี้เราต้องการจะจัดโครงการอะไรขึ้นมาขอเงินบริจาคสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่อีกเยอะแยะหรือไปมีวิธีมีตั้งท่าทีต่างๆเป็นเป็นอาชีวะวิบัติแต่ถ้าหากว่าเป็นคารวะทั่วไปก็เนี่ยแหละเกี่ยวกับในเรื่องนอกจากขับเน้นรูปแบบแล้วยังไม่พอยังขับเน้นใจที่เป็นบาปด้วยนะขับเน้นที่ใจที่เป็นบาปเมื่อมานี่นะ ถ้าเป็นมิจฉาชีวะเนี่ยมาก็หลอกลวงเลี้ยงชีพว่าก็ดาเช่นเอามาตั้งท่าให้ดูเหมือนคึ้นๆหน่อยก็จะคนจะได้ศรัทธาเยอะมีสการะาไว้ให้อย่างเนี้ยนี่ก็ผิดหรื อ, อมามีความว่าเลี้ยงชีพในกรณีอย่างการที่บอกว่าระบุเจอดจงอาหารพอจอดจงอาหารเบเสร็จแล้วก็ได้สิ่งของเหล่านั้นมาตามจิตที่คิดเจาะจงลักษณะนี้ก็เป็นมิจฉาชีวะของพระอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็เป็นการหลอกลวงในการเลี้ยงชีพไป น, นั้นก็ไม่พึงธรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกมิจฉาชีวะไอ้ตัวเนี้ยสามมาชีวะจะตัดรอนในมิจฉาชีวะเนี้ยตัดรอนไประยะระยะแล้วก็ในส่วนจริงก็เป็นผู้มีอาชีวะที่บริสุทธิ์ปริจต์ต่อมาอีกสามตัวนะความไม่โลภ ก, ก็เป็นศีลตรงเนี้ยความไม่โลภมาทํากิจในการที่เกิดขึ้นในกระแสใจเห็นสิ่งของแล้วก็ไม่โลภใช่ไหมก็ไม่ไมรักเมื่อไม่ลักไปเสร็จก็ไม่มีเหตุผลต้องไปฆ่า แล้วก็ไม่มีเหตุผลในการที่จะไปพูดเท็จส่อเสียดคำหยาวและเพ้อเจ้อใช่ไหมไอ้ความไม่โลภมาไปชุมในใจเบียดเสจก็เลยเป็นประธานต่อการที่ไปคิดไปวิจัยในการที่จะไม่รักเป็นต้นอะไรเนี้ยความไม่โกรธที่เป็นเมตตาเป็นเหตุแห่งการไม่ฆ่าได้ไหมไม่ฆ่าได้ไม่รักได้ไม่ไปพูดปิดในการเป็นต้นได้ไอ้ตรงนี้ตัวอย่างก็ก็ยกไม่ยากปัญญาด้วยแล้วนี้ยกง่ายมากเลยใช่ไหมเราสามารถเห็นความจริงได้ง่ายมากใช้ปัญญาวิจัยเบียดเสดก็ยังแยกแยะได้อย่างยกตัวอย่างแมลงมุม ใช่ไหมปัญญาเขาวิจัยเราเอเรามีปัญญามากเขามีเขาไม่มีปัญญาการณีแห่งเราจะใช้ปัญญาไปทางที่ผิดไม่ใช่ปัญญาเนี่นองปัญญาจะไม่เบนไปเพื่อการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายพอคิดอย่างนี้เบียดเสร็จพวกก็งดเว้นจบบากบาปอภุสรธรรมารามลลามุกเป็นศีลไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตสิกศีะลเวลาหมดแล้วนี้ให้เข้าใจเรื่องศีลต่อไปเรื่องการสมาทานนิดนึง เมื่อเราเข้าใจกุศลศีลเบ็ดเสร็จอย่างนี้ก็เข้าใจตัวศีลเดี๋ยวจะช่วงบ่ายจะพูดถึงศีละนะแล้วก็พูดถึงการพัฒนาในการเีเอาศีลไปใช้ให้มันฝังแน่นในใจนะให้ฝังแน่นในกระแสของชีวิตแล้วเอาไปใช้ได้แล้วไปฝึกฝนเพราะกุศลศีลแข็งแรงเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้เราจะได้ฝึกในด้านของทําสมาธิและปัญญาทีนี้ตรงนี้ขับเน้นพวกเราหน่อยก็คือว่าตัวศีลพวกเนี้ย มาจากมาจากข้อปฏิบัติที่ถูกในสังคมเลีเ้ยงเราเนี่ยต้องมีพ่อแม่การปฏิบัติต่อพ่อแม่เป็นศีลไหมเป็นจารีศรีลใช่ไหมท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลทาตนให้เหมาะสมใช่ไหมแล้วก็ท่านร่วมรับให้ทาบุญอุทิศตอนนี้เราก็ทําให้สมบูรณ์ ตรงนี้ชื่อว่าเราทำศีลขั้นพื้นฐานให้ชัดเราอยู่กับอาจารย์ก็ปฏิบัติต่ออาจารย์นี้ดูในฐานะเป็นศิษย์ใช่ไหมลุกลับยังไงเข้าไปยืนคอยรับใช้บางองค์เป็นโอกาสต่างๆนี้เชื่อฟังยังไงเรียนเรียนคาสอนโดยเคารพนี่นี่อะไอย่างเงี้ยอันนี้เป็นศีลหมดเลยนะเป็นชั้นของศีลก็จารีต ถ้าศีลตัวนี้ไม่แข็งแรงไม่ดีนะเสียหายเลยที่ปิะการต่อไปปฏิบัติต่อญาติมิตรต่อน้องน้องลุ ง, งก็เหมือนกับสามีภรรยาปฏิบัติกันเห็นไมก็ทำกิจยังไงอนุเคราะห์ดูแลยังไงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อเพื่อนนากิจต่อเพื่อนห็นไหมว่าคบเพื่อนแนะประโยชน์กันยังไงแล้วก็แนะนํนำไปในทางที่ดียังไงให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกัน เพื่อนสุขเราก็รับมาเป็นสุขด้วยเพื่อนก็ทุกข์ก็แก้ปัญหาช่วยกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าก็จะเอื้อเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เพื่อหนุนซึ่งกันและเป็นมีตัวเจตนาศีลตัวกุศลศีลเป็นตัวเชื่อมและในขณะเดียวกันในขณะที่ปฏิบัติต่อกันทุกสายใหญ่เนี่ยเราไปเขียนขึ้นนักศึกษาเราสามารถเขียนได้เขียนตัวเราเองเป็นจุดกลางใช่ไหมเป็นจุดกลางเขียนเป็นตัวจุดกลางจุดว่าแล้วก็ยึดโยงไปขาคุณพ่อคุณแม่นั้นสายหนึ่ง ยึดโยงไปหาอาจารย์ครูอาจารย์สายหนึ่งยึดโยงไปหามิตรหาเพื่อนนั้นสายหนึ่งยึดโยงไปหาน้องน้อ ง, น, องนุ่งนงหรือสามีภรรยาเป็นต้นนั้นสายหนึ่งแล้วยึดโยงลงข้างล่างเป็นผู้ใต้เข้าเข้า บ, บ, บัญชาส่วนหนึ่งยึดโยงไปข้างบนในส่วนของพระแล้วก็พระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าเราก็จะปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้นด้วยเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลัง พูดได้เมตตาทําด้วยเมตต า, ตาคิดด้วยเมตตาต่อหน้าและหลังดีไหมเนี่ยเราก็ใช้สายของพระมงคหาเนี่ยเป็นตัวเดินเข้าเชื่อมเข้าหากันเนี่ยเราก็ไปทําเป็นขีดเป็นตารางวงกลมมาก็ได้ก็ขีดตัวเราเองเป็นตัวตัวกลางนี่เราจะยึดโยงสายไหนมันขาดสายใยไหนขาดก็ต่อใช่ตอนนี้จุดยึดโยงของเราจุดไหนมันขาดจุดกระเพาะไม่ขาดใช่ไหม ก็เอาเชือกยึดโยงกันไว้ใช้สายใหญ่ของเมตตามีความรักปราถนาดีเอื้อทอดยึดโยงไปหาคุณพ่อคุณแม่ดีไหมถ้าหากสายกุบบารา์จานมันขาดแล้วก็ใช้เมตตากรุณาเป็นตัวอะไรนี้ยึดโยงสายกุบบารา์จานไปแล้วก็สายของเพื่อนสายของญาติพี่น้องแล้วก็สายของบุคคลที่อยู่ในฐานะลาบากกว่าเราแล้วก็สายของพระพุทธจ้แล้วก็ดูมีสายไหนขาดบ้างระหว่างพ่อแม่ยังดูดีอยู่ไหมสายเนี้ย เชือกสายเนียหรือขาดมานานแล้วมองออกไหพูดอย่างเงี้ยปัญหาที่มันทำให้เกิดปัญญาใช้คำว่าเรียนรู้นะนะตั้งท่าทีตจอปัญหาให้ถูกคื อ, ค, อคือตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราทุกวันต้องฝึกฝนเรียนพยายามนะในการที่จะพัฒนาวิธีคิดแล้วก็เอาคำสอนของพระบรมศาสดามาใส่ไว้ในใจมากในส่วนจริงความตั้งมั่นจะแข็งแรงแต่นี้เรายังไม่มีพุธรรมของคาสอนพุทธเจ้าเลยนะมาพ่อพูในใจเลยนะ ตอนนี้เราต้องบอกว่าสภาพเราอ่อนแอมากนีมันยังไม่พร้อมลบเลยอะถ้าพูดถึงระดับทาหารนี่ยังไม่ค่อยพร้อมลบกันเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปเพราะปัญหาทั้งหลายเหมือนอุปสรรคเหมือนศัตรูทั้งหลายทั้งหมดเลยเราอยู่ในสภาพที่อ่อนแอใช่ไหมอ่อนแอมากเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเนี่ยทำให้กระแสของวิธีคิดเนี่แข็งแรงที่สามารถที่จะพร้อมพร้อมจะฝ่าฟันและต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานั้นนั้นเพราะเราต้องเจอทุกวันและเจอบ่อยๆด้วยซ้ำไป และบางคราวก็เป็นปัญหาซ้ำซากซึ่งเรายังแก้ไม่ได้ก็เหมือนกับการลบคุ้งกันที่ยังไม่สามารถที่จะมอดประเมินสถานการณ์ได้ตรงนี้เราก็ต้องมาดูดูกำลังกําลังของศรัทธากําลังของปัญญากําลังของวิริยะสติสมาธิแล้วก็ต้องมาดูแล้วก็มาเพิ่มพูนให้อาหารของคุณธรรมในใจนี่แข็งแรงขึ้นไมไม่ใช่ว่าสภาพปัญหาโตขึ้นโตขึ้น แต่สภาพของสติปัญญาก็ดีศรัทธาวิญญาตต่าง ๆ, งๆนี้อ่อนแอลงอ่อนแอลงนี่แย่ไหมนี่แย่เราต้องทําสภาพใจให้แข็งแรงไม่ใช่ทาให้ปัญหามันโตขึ้นแต่สภาพของปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราก็ต้องพยายามที่จะไปวิจัยแล้วก็ตั้งท่าทีต่อสิ่งนั้นให้ถูกเมื่อทําได้ถึงที่สุดแล้วเมื่อแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจเพราะถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ถ้าไม่ทํานี่สิไม่ยอมทําอะไรเลยปล่อยปัญหามันลุกลามตัวไปเรื่อยเรื่อ ถ้าเป็นดินพอกขางหมูไปเรื่อยๆอยนี่ส่วนจริงก็เสียหายเลยใช่ไหมไม่ยอมทําอะไรเลยนี่เสียหายเลยเรโอ้เอานัาา้นต้องแน่นอนเพราะว่าจริงๆก็คือว่าเรื่องการบางอย่างเนี่ยยกตัว อ, อย่างเช่นว่ากับพ่อแม่เนี่ยที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนท่านได้เลยหรือกับเพื่อน หรืกับบุคคลที่เราจะไปแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แต่เราเปลี่ยนความคิดได้ใช่ไหมเราเปลี่ยนความคิดบอกว่ามีความเข้าใจเหมือนบางครั้งเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาเขาโดนพ่อแม่ไล่เขาคือเขาไปแต่งงานกับโยมคนนึงแล้วก็ไปมีลูกพ่อก็อานะดีพ่อก็บอกว่าให้ทิ้งไม่ชอบกีนา่าผู้หญิงนนี้ คือไม่ชอบทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพอะไม่ชอบหน้าอย่างเดียวคือไม่ชอบแต่เขาไม่ให้เข้าบ้านแล้วไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมเอถ้าไม่ยอมทิ้งตัดพ่อตัดลูอันนี้ปัญหาหนักนะเนี่ยมาไปก็จะเจออามาจะลองให้แล้วเขาจะทําอามาก็ยิ้มๆก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรไม่เห็นต้องทำอะไรเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเรื่องที่ว่า คือแกบอกแกพยายามที่จะอุ้มลูกพาเมีย่าลูกไปโดนตากับมันนี่เป็นเวลาสี่ห้าปีก็บอกยมไม่เป็นไรพ่อเนี่ยเวลาแกพูดอะไรลงไปแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะถือสติว่าผิดไม่เป็นผิดไม่ได้ถามว่าจริงๆเน้อเราดูเราให้ให้แกฟังว่พ่อเนี่ยจริงจรแกรู้ แต่มันท่างปากพูดไปแล้วด้วยความเป็นผู้ใหญ่มันท่าปากไปแล้วเนี่ยทั้งๆที่เจ็บปวดไม่เจ็บปวดบางครั้งยอมตายกับไอ้ความความฝังใจของตอนเองหรือทิฏฐิของตอนเองที่มันผิดพลาดตนเองยอมที่จะตายกับตรงนั้นแต่ในใจก็เจ็บปวดไม่เจ็บปวดแครวดร้าวมากแค่ที่แคต้องทําร้ายรูปอย่างนั้นน่ะแต่ว่าจะไปกลับคําก็ไม่ได้พราะพูดไปแล้วหรือมีการบอกตัดไปแล้ว คิดว่าพูดตัดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลตรงข้างๆคือลูกจะกลับคืนแต่ลูกก็ยังยืนยันว่ า, าลูกก็มีเหตุผลด้วยการที่จะต้องดูแลลูกสองคนด้วยจะไปทิ้งได้ยังไงแล้วภรรยาเขาก็รักด้วยเงี้ยก็บอกยมยืนหยันไปเถอะแล้วก็ทําความดีไปอย่าไปโกรธท่อย่าไปโกรธให้เข้าใจท่านแล้วก็ดูจังหวะสักวันหนึ่งเราเพียรพยายามไปเรื่อยๆ แล้วก็ประกอบกรรมดีไปเรื่อยจเจริญกุศลไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นถึงไม่เห็นแต่ท่านต้องรู้นะคนผู้เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้งยอมตายกับความเห็นที่ผิดๆตลอดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นไรวันสุดท้ายไปกราบเท้าท่านก็ยังได้และสิ่งของทุกอย่างที่เราทำบุญ น, นี่เจริญกุศลก็เหมอะให้ท่าน บอกกับญาติไว้บอกอันนี้ให้พ่อนะให้แรงต่างบอกไปเรื่อยๆเราไม่บอกกับตัวท่านว่าบอกท่านจะโกรธ บ, บอกกับญาติก็ได้บอกกับแม่กระได้เข้าทา้งพ่อทางทังแม่ทางไหเก็ไว้แล้วในที่สุดจริงๆเนี่ยเมื่อสิ่งต่างๆนั้นเราทําดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่อย่าไปท้อซะก่อนอย่าปล่อยให้กระแสของชีวิตมันหักเหแล้วไปไประชดชีวิตในทางที่ผิดพลาดซะก่อนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยทุกคนก็มีอทิถิอยู่ตัวเนี้ย ยิ่งโดยเฉพาะมันพ่อคูณเหมือนเราใช่ไหมถ้าเราเรียนรู้คําสอนไม่ดีเราก็จะมีไอ้ตัวทิฏฐิผิดผิดพลาดเนี่ยนะเขาก็จะแบกไอ้ทิฏฐิตัวนี้แล้วก็จะมีทิฏฐิแบบเนี้ยเมื่อเรามีลูกมีหลานเราก็จะแบกทิฏฐิอย่างนี้เหมือนกันและลูกหลานก็จะไม่พอใจในทิฏฐิของเรานี้ไม่ต่างกันเนี่ยวัตจากักรหรือวงจรนี้มันจะหมุนกลับหมุนกันไปอย่างเงี้ยแต่ให้เราเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้และไอ้ปัญหาในลักษณะเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ดี ที่เราจะได้สามารถระดมวิธีคิดแล้วจะได้แก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างเราเนี่ยต้องเจอปัญหาหนักๆทําไมต้องเจอหนักๆมันถึงจะสามารถพัฒนาวิถีชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่สุสดๆนะถามว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเวลาเจอปัญหาที่หนักๆเนี่ยพระบรมศาสดากับเดินก้าหายัางสแสดงสังเกตดูตอนที่ท่านตอนที่ท่านเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยเช่นบอกว่า จะต้องไปตายเนี่ยใช่ไหมตอนนั้ น, นที่บอกว่าปุณณกายยักษ์ปลอมตัวเป็นมนุษย์มนุย์มาเนี่ยตอนที่ในชาติของวิทูรบัณฑิตเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าเป็นดินที่เป็นในเมือเอย๋ยพระราชาที่เป็นเจ้านายของท่านเนี่ยไปทำไปเล่นเล่นพ น, น, น, นันแพ้แล้วจะทรับสมบัติเนี่ยผลปรรคกฏปุณณกายยักต้องการจะมาจับวิทูรบัณฑิตเข้าไปเพื่อเป็นตัวแรกเปลี่ยนในการกรณีตัวเองต้องการอยากจะได้ ลูกสาวของพญานาคในหน้ากับีพงศ์บดเสร็จก็ในศุลก็แพ้บอแพ้ก็จําใจต้องยกที่แรกกับพระราชาจะไม่ยอมให้ไปว่าจะฆ่าคุณกระยาคที่เป็นมานพเนี่ยบอกว่าพระโหธิสัตว์บอกอย่าทำางนีตามธรรมดาเนี่บัณฑิต ต, ต่างๆนี้เมื่อตรัสแล้วเนี่ยเมื่อกล่าวแล้วไม่ควรคืนคขาก็จะปักไนศุนก็ไปเห็นไหมคนมีปัญญามี ม, มีมีบาลีอยู่ในตัว มีทานบารมีศีลเนธคธรรมปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานนิมิตาเาลิกเมื่อมีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ในใจเปิดเสร็จเนี่ยเดินก็าหาปัญหาไดา้แล้วก็ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญห า, าอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเหลนี้นะเรวก็มานั่งวิจัยตั้งท่าทีให้ถูกย้ายปัญหามีสภาพพอจนเกินปัญญาเราใช่ไหมพยายามพิจารณาดูออบอกว่าสักวันหนึง่งเมื่อเราทําสิ่งที่ถูก ทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อความดีนะผู้สนับสนุนความดีนั้ น, น, นก็จะรักษากระแสขานกระแสชีวิตไปด้วยแล้วในที่สุดจริงๆเนี่ยตัวปัญญาที่เรามีผ่านจากการพัฒนาผ่านจากการขัดเกลืนนี่จะเข้าไปเจาะแล้วก็จะสามารถเข้าถึงความจริงแล้วก็จะแก้ได้ถ้าหากว่าตัวท่านมีบุญและเราก็มีบุญแก้ได้ในปัจจุบันใช่ไหมอาจจะแก้ได้เพียงปีสองปีสาปีไม่เป็นไร แก้ชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าแก้อยังเดินใช่ไหมบัณฑิตเขารอได้เขาร อ, อผลรอโอกาสรอสามารถที่จะคืออย่างนี้ผลบางอย่างอาจจะตั้งเวลายาวก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมเพราะเราเรามีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาแล้วก็เดินเข้าสู่วิธีคิดและการกระทาที่ถูกต้องขออย่างเดียวขอให้เราดีขอให้เรามั่นคงในความดีและให้ตั้งมั่นในกุศลศีลตั้งมั่นในในคุณธรรมั้ ตัวนี้สำคัญมากถ้าเราเป๋ซะแล้วเนี่ยนะเราหลักรอยซะแล้วเราไม่มีคุณความดีซะแล้วตรงนี้จึงค่อยมานั่งปรับท่าทีให้ถูกว่าเราเราเสียหายแล้วฉนั้นขอให้เราปรับท่าทีตัวเองให้ถูกว่าตั้งหลักให้มั่นคง